จเจริญธรรมทุกคนเอาวันนี้วันเสาร์ที่สาสิบสิงหาคม2557้าหเจขึ้นเจ็ดค่ำเดือนส0บปีมะเมียวันนี้เป็นวันเราถือว่าเป็นวันพิเศษ เป็นวันเปิดสถานีโทรทัศน์ช่องใหม่เป็นการเปิดสถานีช่องบุญนิยมทีวีเราเรียกบุญนิยมทีวีก็มีคนทักว่าทำไมเป็นภาษาไทยผสมกับภาษา ฝรั่งเด็กทีวีเป็นภาษาฝรั่งทําไมผสมกันอาตมาบอกอาตมาเป็นสากลอาตมาเป็นคนทั่วไปเป็นคนไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นติดอะไรกันมากเกินไปก็ไม่ไม่มีเห็นเสียหายอะไรถ้าจะใช้ใครจะยึดว่ามันเสียหายภาษาไทยก็ไม่เป็นไรก็เป็นอะไรของคุณก็รักษากันแล้ว ก, กันอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ทําลายอะไรนักหนาหรอกใช้ชื่อ บุนิยมกับทีวีเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็มันก็ใช้อะไรอะไรกันไปอยู่ผสมประสานกันไปมันเป็นการเจริญเป็นการสัมพันธ์เราก็สัมพันธ์กับสังคมเรื่องทีวีหรือว่าเรื่องสื่อสารระดับโทรทัศน์ในตอนนี้ก็ส่งออกไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์กันมันไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราอะไรเกินการในส่วนที่เราไม่ยึด เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่จะต้องรักษาไว้ให้อย่างให้เป็นไปผสมกับอะไรเลยนะอันนั้นเราก็มีสิ่งจะไม่ปผสมอะไรให้มันเลอะเทอะอะไรนั่นน่ะจะต้องสะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นของแท้ของสะอาดอเช่นโลกุตระธรรมเราจะต้องรักษาให้สะอาดอยู่ตลอดการอะไรงี้ไม่ให้ไปปนเปืเปเ้อเลอะเทอะอ่าอย่างนั้นเราก็ทำเหมือนกันคือเราจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรที่จริงสามารถจะผสมผสานกันควรจะทําได้ซ้ําไปนะอันทีว่าเนี่ยที่จะมีภาษาผสมกันบ้างมันเป็นความเจริญของภาษามันไม่ได้เสียหายอะไรไปยึดมั่นถือมันเป็นเราเป็นของเราจะรักษาวัฒนธรรมรักษาศิลปะรักษาของไทยของเราก็รักษาได้แต่ถ้าเราจะพัฒนาขึ้นไปเพิ่มเติมขึ้นอีกมันเป็นการวิวัฒนาการมันก็คิดได้ทําความเข้าใจได้นะอย่างนี้เป็นต้น นะก็เอาละแล้วแต่ใครจะเห็นอย่างไรก็ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกทีเดียวนะก็ทำได้ทั้งสองในวันนี้เป็นวันเปิดรายการนะเป็นวันเปิ ด, ปดสถานนะีรายการอื่นๆก็เคยทามาเราทดลองมาก่อนแล้วเนะมื่อวานนี้เราก็ทดลองมาทั้งวันเพราะอากาศมาก็ยังไม่ค่อยจะเข้าที่นัก นะตอนนี้ก็กะว่าจะออกตอนนี้จะออกตั้งแต่6กโมงกว่าหลังจากคอสชอท่านว่าเสร็จแล้วเราก็จะออกมันก็ยังคลุกคลักอยู่ก็เลยต้องจัดการดังเทคนิคให้เรียบร้อยไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยออกอันนี้ต่อนะก็มาพูดถึงเรื่องโทรทัศน์นี่บ้างนะโทรทัศน์ จนมาถึงจนกว่ามาจนกว่าจะมาเป็นบุญนิยมทีวีเนี่ยนะชาวโซเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนชาวพุทธในประเทศไทยนะที่ก็รู้ๆกันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วเป็นชุมชนของคนจนมหัสจัณนะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่คนจนมหัสจัณนะที่เดินเท่าเปล่า มีชีวิตติดดินกินมังสวิรัตมักน้อยสันโดษเป็นนักปฏิบัติธรรมและก็มีสังคมหมู่กลุ่มชาวโซนเป็นสังคมหมู่กลุ่มที่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่มากในโลกเศรษฐกิจแนวใหม่มากในโลกคือเศรษฐกิจระดับบุญนิยม และบุญนิยมนี่มันมีหลายขั้นแต่บุญนิยมของชาวโศกทำได้ขณะนี้ถึงขั้นสาธารณโพคีบุญนิยมที่ไม่เป็นสาธารณโพคีก็ยังเชื่อมโยงอยู่มีใจเชื่อมโยงกับสาธารณโพคีอยู่เป็นได้เป็นระดับรองรองรองรองลงมาซึ่งสัมพันธ์กันเป็นคนระดับตามฐานานุฐานะของมนุษย์ นะที่มีจิตวิญญาณยังมีตัวตนมีของตัวของตนที่ยังเข้าหมู่กลุ่มที่เขามีวัฒนธรรมอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นยังไม่ได้ก็มีอันะนกลุ่มหมู่ที่แม่จะมีธาธรโพคีแล้วส่วนตัวแสกๆซ้อนๆอยู่ในนี้ก็มีของตัวของตนอยู่บ้างก็มีมีบ้างเป็นธรรมดาแต่ในพฤติกรรม พฤติกรรมส่วนกลางจริงๆแล้วมีรูปนะมีรูปลักษ์ที่ดูได้ว่าเราเป็นคนส่วนกลางทำงานให้แก่ส่วนกลางฟรีเป็นต้นอยู่รวมกันช่วยกันทำกันเป็นหมู่เป็นเป็นระบบเลยทุกวันนี้มันเป็นระบบแล้วซึ่งโลกเขาจะต้องมาศึกษาเขาจะต้องมาดูมาเห็นว่าเออเป็นไปได้จริงนี่เกิดจากจิตวิญญาณที่ได้ขัดเกลา จิตวิญญาณที่ได้พัฒนาตามหลักสูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะที่อาตมามั่นใจมากเป็นของพระพุทธเจ้าสาธานาโพคีนี่เป็นคำของพระพุทธเจ้านะที่มีลาบโดยธรรมลาภธรรมิ ก, กามีลาบโดยธรรมแล้วก็นําลาบนั้นที่ได้ของแต่ละคนนั้นมารวมเป็นส่วนกลางเรียกว่าสาธานาโพคี มันเป็นสาธารณนี่แหละส่วนกลางกินใช้ร่วมกันในทีน่นี้นะไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นผู้ที่ไม่ยึดได้จริงๆจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตไม่เอาเป็นของตัวของตนได้จริงก็จะไม่ยึดจริงๆริงก็จะอยู่กับโมนี่ปายอาศัยส่วนกลางจริงๆส่วนผู้ที่จะยึดบ้างไม่ยึดบ้างหรือยังมีส่วนเป็นกิเลส ข, ของตนก็ภาคเพียนไป ทำจิตใจให้สะอาดจนไม่เหลือตัวเหลือตนนี่เป็นทฤษฎีของพระเจ้าที่ปฏิบัติได้แม้ทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติได้ดังที่ยืนยันขอยืนยันว่าไอ้นี่เป็นเรื่องจริงของพวกเราทาได้อยู่นะก็ยืนยันกันไปเราไม่ได้ทำเพื่ออวดเพื่ออ้างนะเราไม่ได้ทำเพื่อเด่นเพื่อดังเพื่อโดง่งเด่นดังอะไรเราทาเพื่อความเป็นจริง เป็นความเป็นจริงของมนุษยชาติของชีวิตแต่ละคนของสังคมหมู่กลุ่มซึ่งมันก็เกิดแล้วเกิดได้เป็นได้นะเพราะงั้นหมู่กลุ่มของพวกเรานี่ก็อยู่แล้วก็มีระบบซึ่งมาทุกวันนี้ทุกคนก็เข้าใจเขาก็ใช้กันอยู่คือระบบของบ้านวัดโรงเรียนนะเป็นระบบของบ้านวัดโรงเรียนนะมีพร้อมซึ่งเป็น ลักษณะตรีมูลติอาตอมาขอใช้ศัพท์คำนี้ตรีมูลติสรวมกันอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะซึ่งลักษณะสมอย่างเนี่ยตรีมูลติเนี่ยเป็นลักษณะมากมายหลายอย่างที่เขานับว่าเป็นตรีมูรติมีลักษณะสมเช่นหนึ่งมีลักษณะผู้สร้าง อีกอันหนึ่งเป็นผู้ปราบอีกอันหนึ่งเป็นผู้เป็นกลางปรองดองประนิประนอมยัเป็นต้นสามอย่างนี่เป็นต้นคุณลักษณะสามอย่างคุณลักษณะสามอย่างนี่มีหลายในมีหลายอย่างหลายอันที่นับเป็นสามอย่างที่รวมกันลักษณะของหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นสามเศร้าเนี่ย เป็นลักษณะธรรมที่สำคัญมากที่อาตมาพยายามอธิบายพยายามที่จะทำความเข้าใจในเชิงธรรมะซึ่งมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงในพลังงานหรือว่าในบทบาทในลักษณะสัจธรรมชนิดหนึ่งของโลกที่คนสามารถมีปัญญาเข้าใจได้ ท่านหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งี่มันไม่เกิดอะไรมันนิ่งๆมันเดี่ยวๆมันไม่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นสังคมมันก็มีแต่ตัวตนของมันถ้ามีชีวิตมันก็เป็นตัวตนของคนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตถ้าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตมันก็เป็นตัวตนของมันมันก็ไปตามธรรมชาติของมันไปมันก็กลายเป็นเหยื่อเป็นอะไรแต่ละแมันก็พัฒนาตัวเองไปตามเรื่องแต่มาเป็นสัตว์ ระดับคนแล้วเนี่ยเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตนิยามที่มีความลึกซึ้งมีคุณธรรมมีคุณธรรมทางจิตวิญญาณสูงมากและมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากเป็นประโยชน์สูงสุดแต่พร้อมกันนั้นมันก็เป็นโทษสูงสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่เป็นคนดีพยายามที่จะประมวลความดี เข้ามาให้มนุษย์สั่งสอนมนุษย์พยายามทำให้มนุษย์มีความดีส่วนคนที่มีความไม่ดีจากจิตวิญญาณมันก็เกิดจริงเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้นานเท่านานมันก็เป็นอย่งงางนั้นมาแต่ไหนแต่ไรนี่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่3อย่างเพราะฉะนั้นลักษณะการสร้างและ ก, ก็การปราบ บางทีเขาท่านก็นเรียกว่าทำลายด้วยจัดการกรับสิ่งที่ไม่ดีนั่นปราบมันมีไม่ดีใครก็ไม่อยากให้ไม่ดีเกิดแต่มันเกิดก็ต้องปราบต้องทำลายมีสร้างมีปราบหรือในลักษณะของฮินดูเขาก็มีมีพระนารายแล้วก็มีพระสิวะแล้วก็มีพระพรหมทีม่เป็นตนเป็นตรีมูลตอิอย่างพระนารายเป็นผู้สร้างพระศิวะเป็นผู้ปราบ พระรหมเป็นผู้เป็นกลางอย่างนี้เป็นต้ น, นบางท่านในลักษณะสามนี่ก็ค่อยขยายความในวันอื่นวันนี้อัตมา จ, จะวันวนเปิดสถานีก็จะขอพูดถึงเรื่องของประวัติหรือว่าที่เป็นที่ไปที่มาของโทรทัศน์หรือสถานีของชาวโอโศกเราี้บ้างนเรามีโทรทัศน์ ถึงขั้นเป็นโทรทัศน์จริงๆนะไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ทําชั่วคราวด้วยเราเราตั้งใจทําจริงๆพยายามทําจนกระทั่งลงทุนถึงขั้นมีดาวเทียมถึงขั้นสองดวงนะลงทุนจ่ายค่าเช่าแพงนะค่าเช่าระดับสังคมเขาแหละก็พยายามทำเพื่อที่จะให้เผยแพร่ออกไปไกล ว่างนะเป็นประโยชน์ถึงคนทั่วไปให้ถ่วถึงนะเริ่มแรกจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นบุญนิยมทีวีเนี่ยนะก็คงจะมีคนง ง, งมีคนสงสัยว่าอีกคนจนนะตีนเปล่าอย่างเราเราพวกเราเนี่ย เห็นการตั้งแต่สัมผัสแรกเห็นหะนะ้านะนะนะตารูปร่างความเป็นอยู่แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ดูก็รู้ว่าคนพวกนี้ เ, นเป็นคนเขามองว่าเป็นคนระดับต่ำระดับไม่พัฒนาระดับไม่เจริญนะระดับไม่ไม่เหมือนชาวโลกเขาที่เขา ยอมรับนับถือกันเป็นความเห็นเป็นกระแสของโลกแล้วมันจะมาทำโทรทัศน์จะทำโทรทัศน์ได้ยังไงนะแต่เราก็ทำได้นะนะจริงๆเราก็รู้ตัวของเราอาตมาก็รู้ตัวว่าอาตมาไม่ได้คิดอ่านว่าเราจะต้องมาถึงขั้นมีโทรทัศน์อะไรนี้ได้หรอกนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนในระดับที่จะต้องมีพลังพิเศษจริงๆที่จะหาเงินหมุนเงินมาระดับเงินถุงเงินถังทีเดียวต้องใช้เงินทองเยอะเนะีเพราะว่าอะไรก็แพงราคาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แพงค่าจ้างคนที่จะมาทํางานอะไรก็แพงแพงกัทั้งนั้ น, นแต่พอเวลา มันมีเหตุปัจจัยมาถึงครั้งถึงข่าวแล้วเออเราก็สามารถมีโทรทัศน์กับเขาได้เหมือนกั น, นคือเริ่มต้นจากเราไปที่ชุมนุมกับเขาไปชุมนุมทางการเมืองเขาเราก็เห็นเขาทำ เราก็มีของเราบ้างนะเราออกอากาศของเราอยู่บ้างวิ่งวิ่งเต้นเต น, น, นอะไรของเราอยู่บ้างาเขาออกอากาศกันเขาทําเราก็ดูดูเขาก็ทาเราก็ไปช่วยอันนั้นนันนี้เขาอยู่ก็คิดว่าเอเราเองเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะมีสื่อสารมีโทรทัศน์กับเขาบ้างเนี่ยน่าจะดีเหมือนกันเนาะ ไปเปยปปลายไปงั้นนะก็เลยมีคนไปเดินเดินเรื่องนะไปเดินเรื่องจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าใครไอ้พวกเรานี่เป็นคนจนนะถ้ า, เ, าเป็นคนจนกระจกกระจกคนจนงอมืองอเท้าอาตมาก็ว่ามันเป็นสถามาตั้งสถานีโทรศัศน์ไม่ได้หรอกนะมันไม่ตั้งไม่ได้ สถานีโทรทัศน์เรานี่มันจะมีนัยยะสําคัญของสังคมที่ต่างเข้ามากสถานีโทรทัศน์ขอภัยที่ต้องพูดตรงนี้พูดเพื่อการศึกษาพูดเพื่อความรู้เท่านั้นแหละไม่ได้มายกตนคมท่านอะไรหรอกเช่นสถานีหลายฐานีเขาก็ไม่มีไรายได้ทางการค้าทางโฆษณาทางมีนายทุนอุดหนุนอะไรอยู่เป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรจริงๆริงเขาก็ใช้วิธีเรียราย ใช้วิธีเรียอะไรแม่ไม่เรียไรยก็หาวิธีใช้จิตวิทยาใช้จิตวิทยาเพื่อที่จะให้สังคมเข้ามาทำบริจาคเข้ามาบริจาคเงินให้แก่สถานีแล้วก็เลี้ยงสถานีอยู่ได้นะเขาทำใช้วิธีการหลายสถานีเขาไม่มีโฆษณาเหมือนเราเราก็มีโฆษณาเลย เขาก็ไม่มีโฆษณาแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีอย่างที่ว่าเรียร้ายดือด้อนี่ก็เยอะแถบทั้งนั้นแหละสถานีของทางธรรมะส่วนใหญ่เรียรายดือด้ อ, อบางสถานีเขาก็เก่ง mm. เขาใช้จิตวิยาวิธีการการตลาดการอะไรที่จะทำให้คนมานิยมชมชอบมาอุดหนุนจุนเจือบริจาคเงินเพื่อที่จะทำอะไรๆเขาทำได้ แต่ของบุญนิยมทีวีนี่เขายืนยันว่าไม่มีนัยยะอย่างนั้นไอ้ไปเรียรายนันแน่นอนที่สุดอยู่แล้วไม่เอาแม้จะไปทําใช้การตลาดใช้ไซโคโล l ีที่จะให้คนใครๆบริจาคเงินเข้ามาเพื่อที่จะได้เงินเข้ามาช่วยสถานนี้ช่วยการทำงานนี้ก็ไม่ทํา เราใช้น้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆมีคนบริจาคร่วมในการช่วยทำงานนี้เหมือนกันแต่คนบริจาคนั้นต้องเป็นคนที่ชื่อว่าสมาชิกชาวโสกที่จะมีสิทธิบริจาคได้ซึ่งเรามีกติกาที่คนจะบริจาคเงินชาวโศเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรับเงินบริจาคของใครทั่วไปทุกคน เราไม่มาแต่ไหนแต่ไรมีกติกาตั้งแต่ตน้นจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังยืนยันกติกานั้นเราไม่ได้ไปเรี่อยรายรับเงินคนนอกเราจะรับเงินบริจาคของคนในเท่านั้นนอกนั้นเราพึ่งตนเองอย่างนี้เป็นตน้นนะพูดถึงประวัติที่เริ่มต้นเป็นมาซะก่อนว่าชาวโซ่เราเนี่ยเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนะเราไปร่วมชุมนุม กับทางพันธมิตรก็มีเอสทวเป็นตัวที่มีโทรทัศน์อยู่แล้วถ่ายทอดอยู่ตอนนั้นเราก็มีความไปความรู้บ้างอะไรบ้างก็ไปผสมผสมอะไรก็เข้าไปคุยกันไปกันมาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทางด้านโทรทัศน์นี่ถ้าเผื่อว่าเราจะทางเขามีช่องมีอะไรอยู่คุยไปคุยมาก็รู้ว่าเขามีช่องทางดาวเทียมเนี่ยพอจะแบ่งให้ได้ เราก็มาคุยกันดูนคุยกันไปคุยกันมาก็เลยบอกว่าเอา้าตอนแรกเขาบอกราคาเช่ามันก็แพงเหมือนกันนอ้องต้องหลายตังค์โอ้หลายล้านเราก็บอกว่าไม่ไหวหรอกพอต่อมาเขาก็บอกไม่เป็นไรเราเขาลดให้ลดลงมาลดลงมาจนเราตั้งเห็นว่าเอ๊ะพวกเรามันก็อยากจะทำเนาะเผยแพร่ส่งเสริมให้คนได้เรียนได้รู้ได้สัมผัสสัมพันธ์ จนกระทั่งมาระดับหนึ่งเขาลดราคาลงมาระดับหนึ่งก็เห็นว่าอะพอสู้ไหวนะนะเราก็เลยบอกว่าอ้ลองดูนะเราก็ลงมือทำอเริ่มต้นทดลองออกอากาศเขาให้เราทดลองฟรีเดือนหนึ่งด้วยนะตอนแรกลองออกอากาศถ้าเผื่อไม่ไหวยังไงถ้าไปไม่รอดเราก็จะไม่ละเพราะงั้น พอเราทําไปแล้วก็เออดีเหมือนกันครั้งแรกพอเราตกลงทําตัำว่าเอานะทําก็ทําสู้ดูนะกัดฟันสู้นะเราตั้งชื่อโทรทัศน์ช่องแรกว่า F.E.T.V. for the Earth นะ the Earth นะเพื่อแผ่นดิน for the Earth นะเพื่อแผ่นดินโทรทัศน์เพื่อแผ่นดินนะตอนแรกแรกนะพอดีเอิร์ดนี่มาเปิดเมื่อมิถุนายน2550เปิดเมื่อ2550นะก็ตอนแรกก็ก็ทั้พันอยู่กับทางเ s c v เขานะ ส่งแผ่นส่งอะไรถ้ได้ต่างๆนานาอะไรต่างๆมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรพวกเราเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไม่เป็นอะไรก็อาศัยทางเอสทอย่างมากเลยต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยต่อมาก็มีการใช้เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตนอินเทอร์เน็ตดีดไลน์คือการ ส, ส่งสัญญาณทางอิน อินเทอร์เน็ตนะระหว่างสันติโสกับเอสทีวีทำกันไปทำกันมาแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องเงิน อ, อีกทำไปมันก็แม่มันไม่ค่อยจะไหวมันราคามันก็หลายตังค์ทีน่นี้ตอนแรกเราก็พยายามอาตมาเคยทำโทรทัศน์มาชีวิตนี้มาทำอาชีพในชีวิตตงแต่เป็นค า, ารวาสมาจนกระทั่งออกมาบวชนี่ก็ทำงานอยู่ที่เดียวอะ เรียนจบมาก็ทำโทรทัศน์อยู่สิบกว่าปีจนลาออกมาบวชมาทำงานทางาศาสนาเนี่ยก็มีที่เดียวที่เป็นประจำบรรจุเข้าไปเป็นพนักงานในบริษัทเขาก็โทรทัศน์ก็ทำโทรทัศน์มาตลอดชีวิตก็ต้องก็แบบเขาเขาต้องหาเงินทางโฆษณาตอนแรกเราก็คิดว่าเออโฆษณาแต่เราก็เลือกโฆษณา สินค้าที่ไม่ควรโฆษณาสินค้าที่เราไม่เอาไม่ยอมส่งเสริมเราก็ไม่รับแล้ะสินค้าที่เขาจะมีเงินมากๆเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยส่งเสริมเนียนะอ่ะไม่ใช่คนดีไม่ส่งเสริมแต่คนทั่วไปเขาก็ส่งเสริมกันแหละเราก็เลยมันมันมันคานแย้งเราก็ทําไปแล้วมันก็ไม่ไหวเราก็ยิ่งไม่มีเงินโฆษณาเลยแล้วก็ไม่มีรายได้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอาตมาก็เลยบอกเอ๊ถ้าอย่างนั้น เราก็ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องโฆษณาเลยนะเอาตอนเองเขาว่าเลยหาทางดูอัตมามองช่องทางจะหาเงินเป็นกบเป็นหลักทางใดดีเนอะอัตมาว่าสามาชีพกู้ชาตินะเกษตรกรกกรมธรรมชาติก็ดีแล้วปุ๋ยก็พอเป็นไปแล้วแต่ขยะยังอัตมาก็เลยมาบอกพวกเราบอกปลูกเราอันนี้ขึ้นมา ทำชีวิตของงานขยะนี้ขึ้นมาให้ได้ให้มีรายได้เพื่อมาพิสูจน์สิเพื่อมาส่งเลี้ยงชีวิตของธทรทัตเออพวกเราก็ดีแฮะทำตั้งใจทำขึ้นมาช่วยกันหลายแห่งหลายชุมชนเป็นหลักๆสองสามชนมชน ส, าาสองสามสี่ชุมชนช่วยกัน ระดมเงินเข้ามาเพื่อทำให้ทีวีไปรอดเราก็ทำไปได้นจนกระทั่งก็เล่าลัดกันเลยกันจะจะยืดยาดไปจนกระทั่งเราก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วจะหยุดละมันไม่รอดจริงๆมันไม่ไม่ไหวจริงๆเราหาเงินส่งก็ไม่ไหวส่งแค่เช่าท่านีนี่ไม่ไหวเพราะเรา ขอไปยิงยิงไม่เอาเงินบริจาคไม่เรียร้ายไม่อะไรเลยนะยิงไม่ไหวก็เลยจะหยุดพอดีท่านตากุลไปมีเพื่อนอยู่ก็เลยที่เขาทํางานด้านนี้อยู่ก็เลยได้ได้เพื่อนคนนี้มาก็บอกว่าอ้าวเขาจะช่วยเขาก็มีกิจการทั้งนี้อยู่ก็เลยช่วยกันช่วยกันก็เลยต่ออายุนะ ต่ออายุได้เราเคยบอกเราคือชัดๆกันเลยกันเราเคยบอกเลิกจากเอสทีที่เช่าช่วงมาพอท้งนี้บอกว่าจะช่วยเราก็เลยเลิกจากทางโนนแล้วก็มาต่อทางนี้นั่นก็ทงเพื่อนของท่านถักบุญเนี่ยก็ได้ดำเนินการต่อจากทางนี้ซึ่งก็ได้ค่าใช้จ่ายลดลงมาอีกหลายตังเราก็เลยอะ กัดฟันสู้ดูทั้งนี้ก็ทำไปจนกระทั่งได้เป็นไปรอดเป็นไปรอดในทั้งคงทั้งสองทางทั้งโน้นลถมามีคนมาช่วยลดราคาทางเราก็ดำเนินขยะวิทยาด้วยหัวใจเราเนี่ยทำเรื่องขยะวิทยามีรายได้ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆพอได้ โอ้ทูไทยกันโอ้โหนะนะพยายามเต็มที่เลยก็เลยได้เต็นไปได้ก็เลยเอาเอางี่แหละนะเราก็เริ่มจากเอฟ v ทีวีมาจนกระทั่งมาถึงพศออเท่าไหร่ล่ะพศห้าศูนย์เปิดมาแล้วก็ไล่มาเรื่อย อาตมาก็จำไม่ได้แล้วว่าเรามาเปลี่ยนจาก F E มาเป็น F F M นะมาเปลี่ยนจาก F E T V for the Earth นี่มามาเป็นนะ for uh, for mankind นะมามาเป็น F M T V ก็เพราะว่าเราทำไปทำไปพักการมือมาเอาชื่อ เพื่อแผ่นดินไปตั้งชื่อพรรคเขาเราก็ไปทวงว่าเอ้านะั่นมันชื่อที่เราตั้งมาใช้ของโทรทัศน์จะเอาของเราไปทำไมเขาบอกก็มันคนละงานไอ้นี่มันพรรคการเมืองไอ้นี่มันโทรทัศน์สื่อสารมัคนละเรื่องไม่ผิดกฎหมายเม่ไรเราก็เถียงเขาไม่ออกเราบอกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกฎหมายแต่ว่ามันมันถ้าชื่อเดียวกันในคนก็เข้าใจไม่ได้นะ อโนนพักการเมืองเราไม่ได้เป็นพักการเมืองของคุณเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยแล้วจะไปพูดยังไงเราจะออกอะไรมาอธิบายกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวกันหรือว่าเป็นกิจจัรษณะการเกินการมันไม่ได้หรอกยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็เอาชื่อไปตั้งชื่อพักเราก็เลยว่าเมื่อเขาจะแต่น้นเราก็เราต้องมาเปลี่ยนชื่อจากเพื่อแผ่นดินออเนี่ย เอฟไเนี่ยมาฟอร the Earth มามาเป็นเอฟเอ็มก็มาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรต่างๆนะหน้าเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนหัวเป็นหัวเรื่องอะไรต่ออะไรมันอย่างว่าแหละเวลาจะจะทําคนที่ทําจะรู้แต่เราก็จําเป็นก็ต้องเปลี่ยนมาจนกระทั่งพอเปลี่ยนมาแล้วเราทําขึ้นทําขึ้นก็ดูดีทางไรายได้ที่เข้ามาอุดหนุนก็ดีขึ้น นะตั้งตอนแรกก็มีคุณเทียนพุทธนะพุทธิพงศ์โสเป็นผู้ที่อภูอนิการคนแรกต่อมาเดี๋ยวนี้ก็มีคุณหนึ่งพุทธปิมุตตินันเป็นผู้นการก็นะบริหารกันไปเรื่อยๆซึ่งพวกเรานี่เป็นการทางานที่อาตมาว่าในโลกนี้คงจะยากนะที่จะทำอย่างที่เราทำ เพราะว่าของเราทำนี่ทำอย่างคนจนมหัศจรรย์แบบสาธาราโภคีพนัก ง, งานทุกคนทำงานฟรีหมดไม่ได้จ่ายเงินสำหรับคนทำงานในโทรทัศน์นี่เลยซึ่งมันตลกที่สุดนะมันตลกมากแม้แตอ่อัตมาว่านะแม้แต่ในโทรทัศน์การกุศลแต่ละ แต่ละช่องแต่ละช่องเขาก็มีจ้างเทคนิคที่ก็จะต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเป็นบางคนแต่คนที่จะมาทําฟรีมีอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ต้องมีคนที่ก็ต้องจ่ายเงินจ่ายจริงๆจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนอะไ ร, ะไรต่างๆนานาแต่ของเรานี่ไม่มีเลยสักคนเดียวไม่มีใครมีเงินเดือนสักคนเดียวตั้งแต่ผู้ในการยันผ่านโรง เราไม่มีทำงานฟรีกันทุกคนเลยซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากาต้องใช้จ่ายต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องแมทันสมัยต้องทันการเขานะั้นโอ้โหมันก็เปลี่ยนอยู่บ่อยมันก็พัฒนาขึ้นบ่อยด้วยโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะผู้ใดทำงานอันนี้จะรู้ดีซึ่งก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นปฏิหารนะแล้วคนพวกเราก็ แม่อัตมาก็ต้องขอบคุณพวกเราอย่างมากเลยนะแล้วพวกเราเนี่ยใช้เงินทุกวันนี้ก็ใช้เงินของขยะนะใช้เงินของขยะวิทยาเรามีสถาบันเลยตั้งเป็นสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจเรียกสั้นๆว่าสขอจอตัวยอ่สอสขอจอเดี๋ยนี้เป็นกิจการ โอถึงวันเวลามีคนมาวนเวียนไปอัลอัตมาไม่เล่าถึงดงงรื่องจอเป็นกิจการที่ทำไรายได้ทำอะไรจะอะไรมาช่วยนะช่วยสถานีพอเป็นไปได้พ อ, ห า, อานะหายใจไม่ขาดหายใจไม่ขาดแต่ก็ต้องเร่งรัดพัฒนากันจะต้องออเรียกว่า อะไรกันต้องต้องพูดนะต้องให้กำลังใจกันเพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยงานเพื่อจะได้อุดหนุนได้เงินทองเนี่ยที่อินเสิร์ตไปให้ดูนั่นะกิจการของศักยวิทยามีผู้มีคนมาอุดหนุนมาอุดหนุนไปเป็นมือสองไปไปสาหรับไปขายต่อก็มีเราจาหน่ายเองก็มีพยายามหาทางทุกอย่างเพื่อที่จะหมุนเวียนให้เกิด รายได้ขึนมาเป็นการทำงานชนิดหนึ่งเรื่องขยะวิทยานี่อาตมาเองอาตมามั่นใจว่าในอนาคตเราจะต้องทำให้เป็นกิจกิจการเป็นกิจการ เ, เ, เ, เป็นงานการและแม้แต่ที่สุดในมหาอาตมาตอนนี้ชักดัชจริตไม่เรียกมหาวิทยาลัยละเรียกมหาวิชารามนะเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษา นะมหาวิชารามนะก็นัยยะเหมือน ก, นกันกับวิทยาลัยแต่ของเขานั้นเป็นโลกโลกของเรามีแนวโน ม, ม, มีมีจุดสําคัญว่าของเราเป็นการศึกษาที่เอาธรรมะเป็นหลักเอาวิชาความรู้ของพวกเราชาวพุทธก็เอาความรู้เจ้าเป็นหลักจึงเรียกว่ามหาวิชารามนะซึ่งเป็น ไม่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ของเราเรียกเป็นวิชาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นใครจะหาวาดัตถุจริตอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ทําต่อไปแน่นาคตรระดับอุดมศึกษาเราก็จะต้องมีคณะขยะวิทยานี่แน่นอนเพราะว่าเรื่องขยะนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกที่อาตมาว่านี่แหละเราจะอกอบกู้ชาติด้วยโดยเรื่องพวกนี้เป็นกิจการ หรือเป็นงานของโลกที่อาตมาบอกสามอาชีพกู้ชาติเนี่ยกสิกรรมธรรมชาติปุ๋ยสะอาดแล้วก็ขยะวิทยาเนี่ยนะพราะเราอยู่ได้มาไม่มีเงินโฆษณาใช้เงินดินอุ้มดาวนี่แหละนะแปลขยะมาจากดินดแท้ๆเนี่ยมาช่วยดาวมันโทรทัศน์นี่นะมันมันอยู่บนฟ้าแต่ขยะมันอยู่บนดิน เราก็ทำมาได้จนกระทั่งแม่แต่ที่สุดไปงานถ่ถายทอดนอกสถานที่ไปชุมนุมประท้วงเราก็ต้องใช้ทำงานอันนี้โอ้โหทำยู่ถ่ายทุกวันถ่ายทอดทุกวันต่อเนื่องกันถึง292วันไม่ได้ขาดเลยนะไม่ขาดวันเลยนะถ่ายทอดกันทุกวัน 192วันเราก็ทำได้ตลอดพิสูจน์มาแล้วนะเพราะงั้นถ้าเผอว่าใครเห็นใครรู้ก็คงจะเห็นจะรู้ว่าโอ้โ ห, โโหพวกเราทำอะไรตอะไรยังไงแค่ไหนนะซึ่งก็พยายามทุกอย่างนะและเอาประเด็นหลักของเรานี่คือโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ ทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงเราเอาเนื้อหาอันนี้เป็นเนื้อหาหลักนะเนื้อหาหลักคือการรายงานความจริงจริงๆพระเจ้าจะเห็นได้ว่าพวกเรานี้ไม่แาล้งไม่ปรุงแต่งไม่สร้างมากมายทุกอย่างเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องสัจจะมันมีอะไรจะขาดขาดเกินๆยังไงก็ว่าไปมีอะไรจะเด้อเดดาไงก็ว่าไป นะเป็นของจริง ส, ส่วนมากเลยนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไปเป็นเรื่องลักษณะตกแต่งประดับประดาก็เป็นไปตามธรรมชาติบ้างนะเราก็ไม่ใช่คนป่าคนเถื่อนอะไรก็มีบ้างแต่ว่าก็เป็นลักษณะของอธรรมชาติจะส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริง ส, ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องอดรามา่าหรือว่าเป็นเรื่องของแอดอาร์ ปรุงแต่งอะไรเกินไปนป่าประดอยอะไรเกินไปน่ก็เป็นเรื่องจริงเราก็ยืนยันแม่แต่เนื้อหาสาระของสัจจะน่ะโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงจนกระทั่งสถานีนี้มามาเจอถูกระงับการออกอากาศด้วยคำสั่งของคอสชฉบับที่15ในวันที่22 พฤษภาคม2557เนื่องจากคอสชอทําการรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงต้องต้องควบคุมบรรยากาศการเมืองให้เบ็ดเส็จเด็ดขาดก็เลยทําให้ FMTV ทก็ต้องหยุดออกอากาศตามคำสั่งคอสชอไปก็เป็นผลดีไปเหมือนกันทําให้บุคลากรของ f m ฟเทีว <t v> ีได้พักผ่อน จากการตรากตาำ ม, มาหนักนาตลอดหลายปีแล้วก็ได้ปรับปรุงทั้งบุคลากรทั้งเวลาทั้งอะไรละเราออกอากาศมาถึงหกปีหกเดือนกับอีกสิบห้าวันพรุทธท่ธานทำสกูปเอาไว้ให้ก็ได้งานไว้ดังนี้เลยจนกระทั่งวันที่เจ็ด นะวันที่เจ็ดสิงหาคมพศห7า็กสทชอก็ได้เชิญตัวแทนของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ถูกปิดเอาไว้ถือว่าเป็นกลุ่มต้องปิดไว้นะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะนะปิดเราก็เข้าขายอยู่ในหน่วยนั้นเขาด้วยนะเขาก็เรียกไปให้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้อะไรตามเงื่อนไขต่างๆนานา เราก็โอเคเราก็ตกลงเราไม่ได้ไปดื้อด่านดึงดันอะไรเราก็เป็นไปตามธรรมสุดท้ายาเราก็เสนอไปว่าเขาอเปลี่ยนชื่อเราก็ต้องจำเป็นจะ ต, ต้องเปลี่ยนชื่อจากเพื่อมนุษยชาติหรือ FMTV มาเป็นบุญนิยมทีวีก็มีหลายคนบอกครั้งนั้นเราก็เรียกของเรา BNTV ็นบุญนิยมทีว อตาตมาบอกไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องล้แ อ, อกซะอย่างงั้นน่ะเด็กมันบุญนิยมทีวีนี่แหละหลายคนบอกว่าอลิซันสนกัแล้วกันเรียกบุญทีวีบอกเฮ้ยไม่ได้บุญทีวีมันก็มีอะไรบุญบุญของเขาอยู่นะคนอื่นเขาก็มีชื่อบุญเฉยๆเยอะไปแล้วก็เลยบอเอาหน้าบุญเฉยๆมันเดี๋ยวนี้ยิ่งคำว่าบุญเนี่ยมันเป็นคําเพี้ยนอตาตมากําลัง เขียนหนังสืออยู่ตอนนี้นี่เขียนอย่างสําคัญเลยเพื่ออธิบายคําว่าบุญเขายืนยันณตรงนี้เลยว่าคําว่าบุญคํานี้แหละเป็นการทําลายาศาสนาพุทธคําว่าบุญคํำนี้เป็นคําที่ได้ทําลายาศาสนาพุทธเพราะคําว่าบุญทําไมมันทําลายบอกไว้ตรง น, นี้เป็นความรู้เพราะว่าคําว่าบุญเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ มันเป็นคุณค่าของมนุษย์สูงสุดคุณค่าอะไรบุญมันหมายถึงการชำระกิเลสปุญญเป็นการชำระกิเลสในจิตในสันดานของมนุษย์ของคนเนี่ยให้สะอาดหมดจดเลยสั้นตานังปุนาติวิโสเทติเป็นการชำระกิเลสจากจิตสันดานให้หมดเกลี้ยงสะอาด นี่คือความหมายแท้ๆของคำว่าบุญเดี๋ยวนี้ไม่รู้กันแล้วดีนะยังมีเหลืออยู่ในพจนานุกรมบาลีอาตมาก็เห็นอยู่เจ้าเดียวภูมิพลพจนานุกรมบาลีอังกฤษไทยฉบับภูมิพลยังเหลืออยู่ตรงนี้นิดหนึ่งว่าอ๋อนี่ที่เข้าที่มาซึ่งได้มาจากท่านธรรมปาละ พูดไว้เขาเก็บมอใส่ไว้อัตมาบอกโอ้โหเกือบหายไปจากโลกแล้วความหมายจริงอันนี้เสื้ออัตมารู้อยู่ว่าความหมายจริงแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเลยเหาว่าอัตมาบ้าเลยนี่ยังโชคดีมากเลยที่อัตมาได้หลักฐานอันนี้ยังมีหลักฐานที่ยอมรับกันกับทางโ น, น้นมีที่อ้างองิงถ้าอัตมาพูดคนเดียวนะรับรองอัตมา ถ, ถูกย้ำเละเลยอัตมา ถ, ถูกย้ำเละเลย แต่นี่ก็ยังดีมากเลยที่ว่ายังมีเชือ้อยังมีสิ่งยืนยันได้ว่าอันนี้คือความหมายของคำว่าบุญที่แท้จริงลึกเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหายสูญไปจากโลกละความหมายจริงมันถูกคนมายาเละคาว่าบุญเอาบุญไปค้าเอาบุญไปขาย เ, เอาบุญไปหลอกเอาบุญไปทำลายความหมายเพี้ยนหมดเลยว่าบุญนี่คือการทำให้เกิด ฟูใจทําให้เกิดมีการเจริญทางโล ก, กรีเจริญทางอะไรก็แล้วแต่บุญเนี่ยไปเป็นโลกีสรุปง่ายๆซึ่งไม่ใช่เลยบุญมีหน้าที่ชำระกิเลสแล้วเป็นเรื่องดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดคนชำระกิเลสได้ในยิ่งที่สุดเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสมัยโบราณเขาก็รู้ดีจึงเอาบุญนี่มาออกหน้าพวกที่ คิดไม่ดีอ่ะก็เลยเอาบุญไปโชว์เอาบุญไปค้าเอาบุญไปหลอกคนเพราะมันเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งสุดยอดคนก็อยากได้ทั้งนั้นตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็เลยถูกลดค่าแล้วก็ไปอธิบายบุญเนี่ยเพี้ยนออกไปจากโลกรุตระแท้ๆเป็นการชำระ ก, กิเลสแท้ๆเพี้ยนออกไปเพี้ยนออกไปกลายเป็นเรื่องโลกรีกลายเป็นเรื่องแลกได้ลาบจะได้รวยลาบรวยยศซึ่งผิดหมดบุญไม่มีรวยลาบรวยยศ บุญมีหน้าที่ชราระกิเลสหน้าที่เดียวเป็นคุณงามความดีไหมแน่นอนคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คนเอาไปหลอกโลกไปทำให้ความหมายเปลี่ยนบุญเลยกลายเป็นเรื่องเลวไหลกลายเป็นเรื่องเละเทะคล้ายๆกับกุศลคำว่ากุศลเป็นคุณงามความดีรวมทั้งโลกี แม้จะเอาไปอธิบายในโล ก, กุตระกุศลก็มีส่วนแต่ต้องมีตัวเงื่อนไขชัดเจนว่าระดับโล ก, กุตระในกุศลก็มีคําว่ากุศลมีโล ก, กุตระด้วยโล ก, กียะด้วยแต่บุญมีโล ก, กุตระอย่างเดียวไม่มีโล ก, กียะถ้าล้างกิเลสหมดไขกันแล้วแต่พระอรหันต์ขึ้นไปไม่มีบุญไม่ต้องทําบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาป บุญญาปาปะปริคีโนชัดเจนพระยัญชนะมียืนยันหลักฐานแล้วนะตรัดไว้พระพุทธเจ้าก็ตัดเองเปตัดปิดดกเล่ม32สิข้อ392ร้้งท่านก็ตรัสของท่านว่าท่านสิ้นบุญสิ้นบาปท่านเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระโมกคราชก็พูดว่าเราไปพูดสิ้นบุญสิ้นบาปแล้วพระอาหารหันต์รูปหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนหมดบุญหมดบาปจบกิจไม่ต้องทำบุญอีกเลยไม่มีบุญไม่มีบาป นี่คือรักความหมายของคําว่าบุญว่าบาปคำว่าโดยเฉพาะคําว่าบุญบาปคือกิเลสพอบุญเพี้ยนบาปก็เพี้ยนคนคนเลยไม่กลัวบาปบาปนี่คือกิเลสตรงๆเลยคือตัวร้ายที่สุดในความเป็นมนุษย์กิเลสนี่ตัวร้ายที่สุดและต้องกําจัดตัวนี้ต้องจัดการกับตัวนี้คนทุกคนมีหน้าที่ใครไม่มีหน้าที่ก็คือคนโมฆะบุรุษอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ แล้วก็มีเยอะแยะเลยโมคบุรุษเต็มโลกนะคนปรารถนาดีตั้งใจที่จะทำเป็นคนดีก็มีแต่ว่ามันไม่ถาวรมันไม่ใช่ทฤษฎีของรู้เจ้านะอันนี้จะมาแวะมาสู่คำว่าบุญนะนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พยายามกระเสือกกระสนก็ได้อุตสาหะก็ได้เพราะว่าเราเองเราหนัก ไม่ใช่งานเบาสำหรับเราจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นโทรทัศน์ช่องใหม่ให้เปลี่ยนชื่อเราก็เลยเปลี่ยนเป็นบุญนิยมซึ่งคำว่าบุญเนี่ยเราเใช้เราก็เลยไม่ต้องไปแก้ไปไขอะไรครับคำว่าบุญที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ขยายความก็ไปจะยาวว่าจะเป็นบุญแล้วก็เป็นลทัทธิบุญนิยมก็หมายถึงลทัทธิบุตอิซมบุญนิยมก็คือบุตอิซึม นะเราก็เกิดโทรทัศน์นี่ใหม่พอวันที่ยี่สิบหยสิบสีสิงหาคมสุลานร้อหสิบเ็ดนี่ทางคอส ช, อชอก็ส่งหนังสือแจ้งไปสำนัก ง, งานกอสทชให้โทรทัศน์ดาวเทียมที่ถูกระงับออกอากาศมาสิบสองสถานีเนี่ยนะซึ่งอัตมาไม่ไล่และเป็นข่าวคราวกันใครจะอดรู้ก็ไปตรวจสอบดู ออกได้นะแต่ที่จริงยังไม่หมดหรอกได้ออกไปแค่เจทัา น, นีแค่นั้นเองนะสิสองทานีนี่ได้ออกอากาศไปเราก็ได้รับอนุมัติออกมาเมื่อรับอนุมัติมาเราก็เลยมาตั้งหลักเตรียมตัวกันจนกระทั่งได้เรื่องงามยามดีวันนี้นะเราก็พอข่าวคราวเขาส่งมาวันที่2 4่สี่ยบห้า 26าทางวาระพิเศษเขาก็กอนนำบอร์ดกสทมาวาระพิเศษในวันพุธที่27ให้ออกอากาศได้โดยไม่ต้องรอเขาก็ให้ออกเลยเราก็เลยให้ตัวแทนไปเซ็นเอ u มบกับทางกสทชอเรียบร้อย เมื่อเราได้มาก็ขอเล่าลัดไปเลยนะเราก็ได้เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องที่ที่สามแล้วนะ f อ t v อ m t v อทบุญนิยมทีวีโอ้โหอโศกเนี่ยตั้งสถานีมาตั้งสามสถานีละสถานีโทรทัศน์ตั้งสามทีวีสามช่องมาละนะ วันนี้ก็เลยเป็นวันที่เราจะเป็นทางการเป็นทางการง่ายๆไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมายเราของเราเป็นวันเปิดอาตมาพูดจบตรงนี้ก็พอดีเวลา19นาฬกานาทีพูดจบลงไปเมื่อกี้นี้น่ะ ก็สิบเนาฬกาเนาทีก็เป็นการกล่าวเล่าบอกเปิดโทรทัศน์ช่องนี้กันนะเป็นทีเดียบร้อยก็มีรายการให้อัตมามาเปิดนะอัตมาก็บอกเล่าไปแล้วในการเปิดนะก็จะได้เปิดเขาบอกว่ามาออกมาเปิดเวลารายการที่อัตมาอัตมาจะสอนเวลาเนี้ยแล้วเขาก็จะถือโอกาสนี้อ้ออกาสไปด้วย ให้เปิดทานนี้ไปด้วยก็บอกกันไว้ว่า18นาฬิกาพอมาแล้วก็มารอท่านทางคาชอสชอท่านก็ให้ทีวีภูคชอสชอไปอีกต้องตั้งสิบกว่านาทีเสร็จแล้วเสร็จทางโน้นเสร็จยังไม่พอนะเทคโนโลยีของทางเราก็ติดขัดอีกก็เลยยังออกไม่ได้คุกคัคค ก, คกแม่ตอนนี้ก็ยังคุคคก ค, กคักอยู่เลยนะก็ยังไม่อะไรก็อย่าถือสาเลยนะ สถานีคนจนยังไงยังไงก็เอาใจช่วยหน่อยนะก็ยังไงยังไงก็เราก็ทำกระเข้าไปละนั่นก็สรุปว่าโทรทัศน์ของเราก็ได้เป็นโทรทัศน์เป็นสื่อสารอันหนึ่งที่เราก็กระ ท, ทบไหลาดารากรเข้าไปด้วยนะซึ่งของเราก็ ขอยืนยันนะว่าของเรานี่พูดได้เต็มปากเลยว่าเราไม่ได้จ้างวานคนไม่ได้จ้างวานใครนะทุกคนมาช่วยงานของเราเนี่ยมาช่วยเดินน้ำใจมาช่วยด้ใจจริงๆหลายผู้หลายคนก็อยู่กันระจำอยู่กันเอาเป็นภาระจริงๆเลยจนกระทั่งเปิดคอสอบรมกันทำความรู้ความเป็นจริงกันไป เรียบร้อยนะเนี่เราก็ทำไปแล้วนะมาช่วยกันจริงๆ จ, จังๆเพราะว่ามันเป็นงานอาชีพแต่เป็นอาชีพประหลาดเป็นอาชีพที่ไม่มีเงินรายได้ไม่ได้รายได้ไม่มีเงินเดือนเงินดาวเบี้ยเลี้ยงก็ไม่มีนะมีเงินทำงานอย่างเดียวที่จะต้องใช้งานเอาเงินไปทำงานนี้ไปทำเสร็จแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่ไม่หมดก็เอามาคืนนะหมดแล้วก็แล้วไปอะไรงี้เป็นต้นนะ เราไม่มีเบี้ยรุ่งเรี่ยงก็ไม่มีเป็นเงินทํางานอยู่กินอย่างพี่อย่างน้องอยู่ในครอบครัวจริงๆนะซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาภาคภูมิใจมากว่าทฤษดีลุจเจ้านี่สอนคนให้เป็นคนที่หมดอามิสนี่ถือว่าเป็นหมดอามิสคือหมดความยึดถือที่จะต้องทำงานเพื่อแลกลาบยศสันเริญโลกีทางโลกีสุกจากงานที่เราทำเนี่ย เนตเนยเมื่อยล้าก็เนตเหนยเมื่อยล้าไปเราจะสร้างจิตของเราให้มันเกิดความยินดีพอใจความชื่นใจอะไรก็ทำไปศึกษาธรรมะอยู่ก็ทำได้นะทำให้จิตใจมีจิตร่าเริงเบิกบานเป็นอภิปโมทยังจิตตังตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็ทำได้ ไม่ใช่เป็นจิตหดหูเป็นจิตเศร้าหมองหรือจิตเซ็งเซ็งเฉยๆไม่มีกระตือรน้นไม่มีพลังงานอะไรที่จะเป็นพลังงานที่มีพลังมันมีมีพลังปัญญามีพลังแห่งความภาคเพียรพลังปัญญาพลังอนาวัชชะพลังในเรื่องของการรู้งานเข้าใจงานและต้องทำงานพลังของอนาวัชชะ พลังวิริยะภาคเพียรพลังอนามบัชทะลังรู้ว่าเราจะต้องทำเพื่อสงเคราะห์โลกสังคหะนี่เป็นพลังสี่ของธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งผู้ที่บรรลุธรรมหรือผู้ที่เข้าใจธรรมมาแล้วทําใจให้เป็นอย่างนี้ได้อัตมาว่าอัตมาประสบผลสําเร็จในเรื่องเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมามาให้คนศึกษาและเอาไปปฏิบัติตนจนสามารถมีพลังสี่ทำงานได้ โดยไม่ต้องเอาเอ า, อามิตรมาเป็นเครื่องหล่อได้จริงๆเลยได้อันนี้เป็นผลสำเร็จที่อาตมาภาคภูมิใจว่าธรรมะบู้าทุกวันนี้ก็ยังมีผลอยู่แม้มันจะไม่ถึงขั้นเบลอเลิศถึงขั้นสมบูรณ์ร้อยเอเซนต์จนอะไรก็แล้วแ ต, แต่แต่มันก็สำเร็จมันเป็นผลสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นอาชีพถือว่าเป็นอาชีพในระดับพ้นมิตราชีพข้อที่ห มิชาชีพนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้น่ะสัมมาชีพของพระพุทธเจ้านั้นต้องพ้นห้าอย่างนี่ห น, นึ่งกูหนาสองัปนาสามเนมิตตกตาสนิเปสกนิเปสิปสกตาห้าลาเพณนะลาพังนิชิกเงสนตางนี้เป็นต้นซึ่งเป็นงานอาชีพที่สูงสุดเลยในระดับที่ห้าคือลาเพณนะลาพังนิชิกเงสนตาเป็นอาชีพที่ทํางานฟรี ไม่ใช่ลาบแหลกลาบลาบเพณะาลาพังนิจเคิงสนาตาทำงานไม่มีอะไรแลกตอบแทนคืนมาเลยเป็นอาชีพสูงสุดเราทำได้สำเร็จนะนอกนั้นก็อาตมาก็คงจะไม่ใช้เวลานี้อธิบายแต่ก็ขอบอกความหมายเล็ก น, อกน้อยกูฮนานี่เป็นอาชีพทุ จ, ทจริตเป็นอาชีพที่เลวร้ายพวกขี้โกงนี่ไม่ว่าจะเป็น ทาวขี้โกงคนไหนแหล ะ, ะที่มีอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่หูรู้กันอยู่โกงแหลกทุจริตหนักไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจหรือราชการก็ตามนักธุรกิจนักราชการอะไรก็แล้วแต่ขี้โลภจงกระทั้งทำทุจริตทาเล่เหลี่ยมเอาเปรียบเอารัดเขามากมายพวกนี้กุหนาทั้งนั้นหยาบขี้โลภจัดเห็นแก่ได้ แล้วใช้ความฉลาดของตัวเองหรือใช้ความคิโกงของตัวเองกูหนาเนี่ยเพื่อเอาเปรียบเอารัดโลกเพราะฉะันคนอาชีพอย่างนี้นะี่อาชีพบาปอาชีพต่ำที่สุดแต่คนไม่รู้ยกย่องกันว่าเขารวยเขามีเงินมีทองมีอานาจมีอะไรอะไรต่า ง, างๆน า, นาสารพับคนอย่างนั้นนะเป็นอาชีพที่เลวร้ายโดยสัจจะแล้วได้แต่บาป ได้แต่นี่บาปเป็นวิบากรรมนี่เป็นสัจจาเลยนะอาตมาไม่ได้ไปว่าเขาทำของเขาเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะนั้นเขาก็จึงไม่รู้เรื่องกรรมไม่รู้เรื่องวิบากไม่รู้เรื่องการกระทำอะไรกกหนาเป็นเลวที่สุดนะแม้จะหลอกลวงเขาไม่ให้รู้ตัวอบา ย, ยมกทั้งหลา ย, ยานี่เป็นต้น ประมประเลาให้รู้สึกโอโหหลงไหลได้ปลื้มคลั่งใครเดี๋ยวนี้ยังอบายยมุขทางบันเทิงเรืองรมก็ดีทางกีฬาก็ดีพวกนี้อบายยมุขเป็นขออภัยเถอะเป็นนรกบาปมันหลอกให้คนนี่มีรถสนุกมีรถเพลิดเพลินท่านเรียกภาษาบาลีว่าปหาษะเป็นนรกท่านเรียกนรกปหาสะ แต่เขาไม่รู้อาตมามันก็สงสารไม่รู้จะทำไงพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจข้อภัยที่ต้องวิจารณ์สัจจะให้ฟังไม่ได้ไปว่าเขานะอย่างดารานี่นะโอโห่ค่าตัวเป็นไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านดาราก็ตามนักกีฬาก็ตามอบายยมุกทั้งนั้นะ่ะราคาค่าตัวแพงกี่ล้านต่อกี่ล้านเป็นความ ผิดได้ดัดบกุหนาเป็นผู้ที่ขูดเอารายได้จากโลกเขาโดยอาศัยความหลอกมหาหลอกเลยคือความบันเทิงเริงรมความบันเทิงเริงรมสะใจบําเรอการบําเรออัตตาเท่านั้นซึ่งเป็นสุขเท็จซึ่งอาตมาอธิบายปรมัตต์อยู่ทุกวันนี้โล ก, กุตระอยู่ว่าสุขนั้นเป็นเท็จพะสุขอันนี้ก็ปรุงแต่งกันขึ้นมาจนกระทั่งโอ้โหทั้งโลก ศา ส, สนาพุทนี่เป็นศาสนาที่รู้จักสัจจะอันนี้ลึกซึ้งที่สุดศาสนาขออภัยเถอะพูดอีกทีศาสนาอื่นไม่มีแม้แต่ในพุทธเองก็ล้มเหลวพุทธเองก็ลืมเลือนเลอะเทอะไปหมดแล้วนะมันก็เลยไปกันไม่ได้อัตมาพยายามนําสิ่งนี้มาฟื้นฟื้นความจริงฟื้นสัจจะขึ้นมานะซึ่งก็ แสนยากแต่ก็ไม่รู้ทํางยากก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นสัจจะที่จะต้องทำนะเพราะงั้นในเรื่องความเป็นอาชีพขั้นกุหณาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้โลกพูดก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจยากมากสรุปง่ายๆก็คือคนที่หลงในเรื่องรวยเรื่องความเก่งความโดง่งความดังความมีอำนาจทางโลกจัดจัดจ้นจานๆแรงแรงเนี่ย คนเหล่านั่นแหละคือจอมอบายจอมนรกขออภัยต้องพูดสัจจะสั์นรกทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้ตัวกันอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าพูดไปก็เขาก็ไม่ชอบใจว่าไปว่าเขาด้เขามีอานาจอานาจทางเงินอานาจทางอำนาจอะไรก็แล้วแต่เขามาทำทำอะไรกับอาตมาได้ปิดปากก็ได้ทำอะไรก็ได้หมด เสือาตมาก็ถ้าไปปิดปากอาตมาแต่ไม่อาตมาพูดไม่อาตมาอาอาตมาทำงานอาตมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าต้องบอกสัจจะอันนี้เท่านั้นเองงานของอาตมาทุกวันนี้อาตมาก็เลยต้องเอ้าธรมะระวังบ้างพูดไปถ้าไม่พูดก็ไม่รู้พูดไปแล้วก็โกรธพูดไปแล้วก็มาทำตอบมาทำร้ายเราซึ่งเขาเองเขาทำร้ายอาตมาในบาปบาปมากเลยขออภัยที่พูดความจริง บาปมากที่เขใครมายับยั้งอัตมานี่บาปมากขอพระยท่ไม่ได้พูดว่าหรอกประัจจะถ่าจะพูดไปแล้วตั้งแต่เริ่มที่ถูกยับยังมาตั้งแต่ใครมายับยั้งอัตมาอนี่ยอืก็หลายคนไปแล้วนะที่ได้รับวิบากไปเห็นเห็นในชาตินี้แต่อื่นอื่นอีกอัตมาไม่รู้แหละ ว, วิบากใครวิบากมันนะซึ่งเป็นัจจะ นะขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้ไปไม่ได้คู่เคืออะไรใครหรอกพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าพูดแต่ก็ขออภัยที่พูดไปแล้วนะว่าในเรื่องของอาชีพห้านี่กุหนาะลับปนาเป็นอาชีพท่านแปลว่าหลอกลวงถ้ากุหนาะนี่ท่านแปลว่าขี้โกงเลยทุจริตขี้โกงหนักลับปนาก็เบาลงมาบ้างหลอกลวงเล่ยเลี่ยมอะไรอยู่ในโลก มันรูมันเบาเบาอยู่แต่ที่จริงก็ไร้ากาดพอกันสรุปแล้วสองอาชีพนี้ต้องเด็ดขาดเลยกูหนาลับนานี่หยุดเด็ดขาดเลยในมนุษย์ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพุทเจ้าแล้วหยุดเลยเริ่มต้นแต่ที่สาอาชีพที่สามนี่คืออาชีพท่านใช้คําว่าเนมิตะนิเปสิเนมิตกะตาเนมิตกะ ต, ต, ตานี่มันแปลว่าการเสียเส่ยงเสี่ยงทายเนมิตกะแปลว่าเสี่ยงทาย ที่จึงไม่ได้เสี่ยงทายหรอกความหมายเขาเอามาใช้มันหมายความว่าคุณกำลังภาคเพียรเพื่อที่จะเลิกโลกเพราะงั้นคุณก็ต้องมาภาคเพียรปฏิบัติการละกิเลสการลดอะไรต่พวกนี้เนะ่มันเป็นโอ้โหเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะงั้นมันจึงเสี่ยงมากเลยเป็นเรื่องท้าทายมากฟังดีๆนะอาตมาพยายามขยายความใช้ภาษาให้มันชัดให้มันใก ล, ใกล้ๆที่เขาแปลเขาแปลน เนีมิถุตะตาว่าเสี่ยงทายมันเป็นเรื่องท้าทายมันเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะต้องมาสู้กับสังคมต้องมาทำกับสังคมนี้เพราะมันทวนกระแสสังคมแต่ก็ต้องมาทำเริ่มตั้งแต่โสดาบันท้าทายมากก็เอาแค่ศีน่าศีน้าเราก็ไม่แล้วอาบายยมุกที่เขาดังเขาเด่นเขามีอำนาจเขามีฤทธิ์เขามีแรงมากเลยอาบายยมุกเนี่ย คนที่ครอบครองประเทศครอบครองสังคมส่วนใหญ่นี้เป็นคนอบายามุกเกือบทั้งโลกเกือบทั้งโลกใช้อบายามุกมาครอบครองใช้อำนาจอบายามุกที่อาาพูดทับศัพท์นี่มาอยากจะพูดภาษาไทยเพราะมันแรงพูดหน่อยนึงก็ได้มันเป็นอำนาจของความเลวร้าย เรวร้ายทางเงินทองเรวร้ายทางอำนาจของสังคมมีอำนาจทางสังคมแล้วใช้เป็นอนาจใช้เป็นอาวุธอาวุธสกัดคนอื่นเลยร้ายแรงมากนะเพราะฉะนั้นแค่ศีน้าเนี่ยเริ่มต้นไม่มีอาบายมุกนั่นคือสู้เขาหนักละเสี่ยงมากท้าทายมากคนออกมาได้ หลุดออกมาได้คนนั้นเยี่ยมที่คืนเนมิตกะตาพอเริ่มต้นได้ของพุทธเจ้าทํามีเบื้องต้นทั้งกลางมันปลายเพราะฉะั้นเสี่ยงจากอบายมุขพลมาได้ก็มาอบายในระดับต่อต่อมาจนกระทั่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นในโลกของสามัญปุตุชนไปเรื่อยๆตามลําดับทําได้แล้ว บรรลุแล้วมีพลังมีต้นทุนแล้วก็ต่อมาเป็นส ก, กิทาก็ทําต่อไปอีกต่อไปอีกสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ, ๆเพราะงั้นก็จะสูงขึ้นเป็นเนมิตกตาในอาชีพขันธิสาในเจริญเรื่งเจริญ จ, จนบริสุทธิ์ไปตามลําดับสมมุติว่าสูงสุดสะอาดหมดจดที่จิตเราเป็นอนณาคา ม, มีเป็นต้นบริสุทธิ์แล้วสําหรับเรา สะอาดสําหรับเราแต่เรายังมอบตนอยู่กับโลกเขายังไปเป็นไม้เป็นมือยังไปเป็นผู้ที่ยังไปช่วยไม้ช่วยมือเรียกว่านิเปสิกตาท่านแปลว่ามอบตนในทางผิดจะป็นอาชีพที่ยังอยู่กับคนผิดยังช่วยคนผิดยังเป็นไม้เป็นมือกับคนผิดรับใช้คนที่ยังเป็นบาปเป็นภัยอยู่ก็ยังไม่สูงยังไม่เจริญพอนิเปสิกตา เาะฉนันผู้ใดที่ไม่อาวแล้วหนึ่งผู้พ้นแล้วว่าตัวเองสะอาดได้ไม่ต้องไปเป็นไม้เป็นมือไม่ต้องไปเชื่อมในเรื่องของความชั่วความเลวความบาปของโลกของสังคมกลุ่มไหนเลยก็ต้องมาทำงานส่วนตัวให้อยู่รอดนั่นนึงซึ่งยากมากเลยเพราะว่ายิ่งมาทำจะสูงสุดจนกระทั่งไม่รับเงินเดือนเป็นคนทางานฟรีนีไม่ได้เลยคนเดียวต้องัต้องท ำ, งทำยาก ไม่มีหมูไม่มีฝูงไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีจึงเป็นสุดยอดของพรหมจรรย์สุดยอดของศาสนาเลยต้องอยู่เป็นหมู่งอย่างที่เราทำกันนี่เป็นาสนาระโพกีหนึ่งจะต้องช่วยตนเองอยู่คนเดียวต้องทํางานส่วนตัวพอทํากับคนอื่นมันชั่วทางนั้นมันบาปทางนั้นน่ะจะลูกไม้ลูกมือเขาเนี่ยมันไม่เคยบริสุทธิ์เลยไม่มีที่ไหนบริสุทธิ์ได้ง่ายๆนี่เปรี้ยวตาคือบริสุทธิ์แล้วต้องไม่เป็นตัวไปเชื่อม มอบตนอยู่ในทางผิดทำชั่วอะไรกับเขาทำบาปกับเขาเพราะงั้นมาทำส่วนตัวหรือไม่ก็มาอยู่กับหมู่อย่างเราในสาธรารณโปรคีนี่ไม่แล้วอยู่กับหมู่ได้นี่คือนิเปสกตาอาจจะมีรายได้อาจจะมีไไอจจะไรอยู่มีไรายได้มีอะไรแต่ว่าไม่โกงไม่ไปทุจริตไม่ไปเอาเปรียบเอารัดใช้แรงงานของเรานี่ให้มันมากคุ้มเกิน ชิดตามเศรษฐศาสของสังคมแล้วเราไม่ได้เอาเปรียบเราเสียสละและงานเราค่าควรจะเป็นร้อยหนึ่งเราเอาแค่ห้าิบเราเอาแค่ห0บไม่ดีบางคนเอาแค่30อสิรอะไรเงี้ยแล้วก็พอตัวเลี้ยงตัวอยู่ได้อันนี้เป็นต้นนี่คือพวกนิเปสิกตาส่วนขั้นที่ห้านั้นไม่รับส่วนตัวเลยลาลาลา าลาเพนะลาพังนิชิกิงสซนาตาไม่มีลาบแลกลาบใดๆเลยเอาแรงงานแลกลาบเอาความรู้แลกลาบเอาอะไรไม่มีอย่าว่าแต่วัตถุแลกวัตถุเลยไม่แลกลาบใดๆทำงานฟรีเหมือนอย่างเราชาวโงนี่ซาทรโปรคีทำงานเข้าส่วนกลางมาเลยถ้ากเก ษ, ษียภาษีรยนนี่คือเศรษฐศาสตร์บุนิยมเศรษฐกิจบุนิย ม, มที่สุดยอด เราทอํอนนี้พิสูจน์แม้แต่โทรทัศน์ที่เราทาอยู่ขณะนี้ก็เป็นโทรทัศน์ที่พิสูจนสา ธ, ธารณโพคีพิสูจน์เศรษฐศาสตร์บทสาคัญของโลกเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่เป็นเศรษฐศาสตร์รษษตรสูตรใหม่ที่คนในโลกทุกวันนี้นี่กลังค้นหาบทสาคัญอันนี้แหลอะอาตมาข อ, อยืนยันว่าอันนี้แหละ ถ้าเกิดจากจิตวิญญาณเป็นตัวหลักในทางวัตถุนั้นมันสิ้นท่าแล้วไม่มีสูตรไหนเราจะใช้ทางวัตถุทางกฎเกณฑ์ของโลกตั้งกฎเกณฑ์ของโลกทางเศรษฐศาสตร์ออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐศาสตร์ตั้งขึ้นมาให้ตายก็แก้ปัญหาไม่ได้ได้ชั่วคราวได้อย่างบังคับกันอย่างเผลออย่าพลาดนะ ถูกทำลายทันทีไม่ถาวรไม่ยั่งยืนหรอกหมุนเวียนอยู่งั้นน่ะเปลี่ยนสมบัติผัดกันชมไปเศรษฐศาสตร์โลกีเนี่ยแต่อันนี้ถาวรยั่งยืนเพราะมันจริงใจเป็นคนที่มักน้อยสันโดดแต่สร้างสรรค์มีความขยันหมั่นเพียรมีฝีมือความรู้ทำกับสังคมให้สังคมใครไม่ตอบแทนใครไม่ช่วยเหลือใครไม่เกื้อกูลไม่มีปัญหาอะไร เพราะเราเองเราพึ่งตนแล้วพิ่งตนอยู่แล้วซึ่งอาตมาเนี่ยตั้งใจเพื่อที่จะเสนอนำเสนอสิ่งนี้เสนอบุญนิยมเนี่ยบุญนิยมทุกอย่างเศรษฐศาสตร์กับบุญนิยมการเมืองรัฐศาสตร์กับบุญนิยมสังคมศาสตร์กับบุญนิยม เรื่องย่อยลงไปอีกก็อย่างทุกอย่างเรียกว่าแบบบุญนิยมได้หมดการกระิกกรรมบุญนิยมสื่อสารบุญนิยมการเงินบุญนิยมการศึกษาบุญนิยมบุญนิยมได้ทั้งนั้นนถ้าเข้าใจเป็นสูตรสเรรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นนิยมก็คือรัธิรัธิบุญรัธิชำระกิเลส นะเป็นทฤษฎีที่ทำงานละกิเลสเมื่อละกิเลสเป็นล ะ, ละกิเลสได้ถูกต้องจริงกิเลสถูกกำจัดได้จริงคนก็เป็นคนจริงแล้วละกิเลสอย่างแบบพุทธเนี่ยที่เรียกว่าโล ก, กุตระซึ่งเป็นความเจริญเป็นสิวิไลส์เป็นความเจริญเป็นสิวิไลเซชันที่ที่ถูกต้องแท้ที่สุด เป็นคนเจริญที่โลกแสวงหาแต่เขายังไม่รู้เขายังเข้าใจไม่ได้เขายังเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงเป็นไปได้ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ยากเท่า น, นั้นแหละไม่ใช่เก็ดเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเท่านั้นแต่ยากก็ยังเป็นไปได้งไง เพราะฉะนั้นในสังคมโลกเนี่ยเมื่อมันเป็นไปได้ก็ให้มันเป็นสิเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกต่อมนุษย์เรามาเป็นคนชนิดนี้มาเป็นคนจนมหัศจันมาเป็นคนโลกกุตระมาเป็นอริยะแบบนี้เราก็ไม่ได้ต่ำต้อยอะไรแต่คนก็มองไม่เป็นเขว่าเราต่ำต้อยเป็นคนจนเป็นคนกระจอกเป็นคนดูที่รองเท้าก็ไม่มีใส่นกินก็ โอ้ไม่กินอย่างเข้ารู้ราฟู่ฟ้าโอ้โหเนี่ยไปเป็นเรื่องอ่อกินไปเจอเอาไอ้มันขูดรีกันที่อะไรที่พัทยาหรืออะไรที่มีเรื่องอเจอเข้าไปตั้งเท่าไหร่มือ น, นั้นกี่พันกี่หมื่นนะแล้วอ า, อ, าอาหารจานละ4ี0ร0อย0้ร้จานละพันจะบ้ากันยังไงกัไม่รู้อ่นั่นแหะมันมันไปกันใหญ่แล้วทุกวันนี้ โลกมันก็บว่าบ้าบองั้นอ่ะเพราะวพระอาตามาพูดมันแข็งแข็ง่ะพูดไม่ปล ա วปลโลมพูดไม่หวานนะพูดพาผานะตั้งแต่ทํางานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ยังแบบนี้แหละต แ, ตแต่แรกเขาก็ให้ฉายาเป็ขวานขวานขวานจักตอกมาแล้วแทนที่จะบอกจาขวานผ่าซากเอาเรียกว่าขวานจักตอกเลยมีนัยยะไปอย่างนั้น ก, ก็ไม่รู้จะทำไงมันมียังเงี้ยจริตก็เป็นแบบนี้ก็นันก็ทไปนะแต่อาตมาว่ามันดีมันรู้กันชัดรู้กันง่ายถ้าใครไม่มีอัตตามากมายฟังจะรู้ง่ายรู้ชัดนะเัราทุกวันนี้ต้องเอาเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยเข้ามาแก้ไขหมดเลยเป็นทฤษฎีหลักมาแก้ไขทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์หรืออะไรศาสตร์แล้วแต่เพราะมันคลุมหมดเลยทั้งบุญถ้าได้ชำระ ก, กิเลสคนและการชำระ ก, กิเลสพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ชำระ ก, กิเลสแล้วก็มันได้แต่แค่ตัวเองหลายลัทธิแบบพระป่าหรือแบบฤษี สะกดจิตตัวเองแล้วก็มานก็บอกว่าแหมเราก็เ ร, าเรียนรู้ไม่เอาแล้วโลกคืออะไรโลกีคืออะไรลาบคืออะไรยศคืออะไรยศเสริญคืออะไ ร, เ ร, ออะไรเรียนรู้แล้วก็ไม่เอากดข่มพยายามไม่เอาอดทนแล้วก็เรียนรู้ว่ามัน ค, ควรละนายคลายาศาสดาหรือาศาสนาหลายๆาศาสนาก็ทําทั้งนั้นแหละทําทั้งนั้นพระบางาศาสนาะนัหนีเลยไม่เอา ล, ลาบยาศเสริญดียนไปเลย ไม่เอาอะไรทั้งนั้นจริ ง, รงๆเขาก็ทำสำเร็จก็เป็นลัทธิเป็นทฤษฎีที่เขาทำกันบางศาสนาก็อยู่กันสังคมซึ่งเป็นศาสนาใหญ่ๆก็ตั้งระบบขึ้นมาก็ทำให้มากน้อยสันโดดพอสมควรอ่าเช่นศาสนาคริสต์อย่างนี้เป็นต้นกน็ทำมากน้อยสันโดดพอสมควรก็ลดละกันได้ กดคมได้เรียนรู้ได้ว่าความดีงามคือความไม่ต้องเอาเปรียบไม่ต้องอะไรก็มีคมสอนดีๆทั้งนั้นแต่ต่างกันก็ของพุทธตรงที่ว่ายังเข้าไม่ถึงปรมตถธรรมไม่เข้าถึงคืออะไรยังสไม่สามารถอ่านจิตเข้าไปสัมผัสจิตตัวเองเป็นแล้วเรียนรู้จิตเลยพระพุทธเจ้ามีชื่อจิตกดีเจตสิตกกดีเยอะ แม้แต่เดินทางรูปธรรมก็มีเชื่อแบ่งเอาไว้เยอะเป็นหลักสูตรไว้ทั้งรูป28่นี่เป็นต้นด้วจิตเจตสิกก็แบ่งไว้ถึงโอโหจิต89เนะเจตสิกตั้งร้อยี่สิบกว่าอะไรแล้วแต่ตั้งชื่อไว้แล้วก็เอามาศึกษาแล้วเราจะรู้ลักษณะ ของจริงที่เป็นรูปเป็นนามหรือว่าเป็นกายเป็นจิตเป็นวัตถุเป็นจิตเราอาศัยวัตถุแต่เราไม่หลงวัตถุเลยก็เป็นเครื่องอาศัยเพราะงั้นเราก็อยู่กับรูปกับนามอยู่กับองค์ประชุมเรยอว่ากายองค์ประชุมของวัตถุกับจิตนั่นเราก็ใช้อาศัยไปเท่านั้นเองจิตเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่าจิตนี่เราเป็นตัวหลัก อยู่ในสังคมอยู่กับหมู่อยู่กับโลกเขาเขาจะเลวยังไงเขาจะร้ายยังไงเขา ร, รู้เขาหมดเลยไม่ต้องหนีแต่ทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ที่ไม่ไม่ไปติดใจไม่ไปร้ายกับใครทั้งนั้นแม้ใครจะร้ายขนาดไหนก็ตามเราไม่ไปร้ายกับใครเลยดีกับทุกคน เพราะะเราดีเนี่ยไปทําอะไรกับคนร้ายเนี่ยยากแต่เราก็ทําไปตามที่จะฉลาดให้เขาลดรายลงให้ได้เท่าที่เราทําได้เราก็รู้ว่ า, อ, าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้อย่าเอาไม้ไปแย่เสืออะไรงี้เราก็ไม่ต้องทํารู้อยู่ว่ามันเป็นไัยเราก็ไม่ทําเราก็ละเว้นเราก็ทําเท่าที่ทําได้ ซึ่งมีคนให้ทาคนที่จะให้ช่วยคนที่สแสวงหาอยากจะได้ทฤษฎีเยี่ยมๆอยา่างทฤษฎีของพระเจ้าท่สมาทิถิจริงๆยิบเยี่ยมมีคนสแสวงหาอยู่ไม่ต้องกลัวเราว่าจะไม่มีลูกค้าอาตมาว่าอาตมาได้พิสูจน์เรื่องนี้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีลูกค้าแม้จะหายากนอกจากหายากแล้วงวดเข้าไป เ, เื่อยเย ได้แล้วก็ได้คนมีบา ร, รมีเท่านั้นคนไม่มีบา ร, รมีเนี่ยโหมายากตอนนี้ก็พยายามกระจายออกไปว่าเออคนที่มีเชื้อคนที่แสวงหาจริงๆแล้วก็มีภูมิปัญญาพอจะรับได้นี่ประเทศไทยในยชักงวดเข้าไปเยอะแล้วนี่ต่างประเทศจะมีบ้างไม่นอะ ก, ก็เลยลองโทรทัศน์กระจายออกไปดูแต่เราก็ยังไม่ดินดน้นรนจะต้องเอาภาษาต่างประเทศอะไรมากมายหรอกเอาภาษานี้ไปนี่แหละภาษาไทยนี่แหละ เดี๋ยวนี้ภาษาเขาก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วเดี๋ยวนี้กดเครื่องภาษามันก็แปลให้เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันกดเครื่องมันก็แปลให้เสร็จเลยเดี๋ยวนี้ยมันโอ้โหมักง่ายได้เร็วมากแล้วเดี๋ยวนี้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะทำของเราไปอย่างเงี้ไม่ต้องไปดิ้นต้นอะไรมากมายส่งไปเผยแพร er ่ er ไปอาตมาก็พูดของอาตมาไปใจใจเงี้ยภาษาไทยนี่แหละอย่างเก่งก็ภาษาลาวบ้าง แต่เล็กน้อยเพราะอาตมาอยู่อีสานพูดภาษาลาวได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไรส่วนมากก็พูดภาษาไทยภาษาลาวก็พูดเป็นครั้งเป็นคราวที่คิดว่าควรพูดหรือแม้แต่จะกํากับภาษาพอรู้มั่งเล็กๆน้อยขนาดใส่เดินกิ่งกือภาษาอังกฤษบ้างครับแถมๆไป ม, มั่งอะไรอย่างนี้ภาษาอื่นไม่ค่อยจะประสิภาษาเลย ก็ใช้ภาษาเป็นเครื่องสื่อไปสรุปแล้วโลกทุกวันนี้เนี่ยสื่อสารนี่แหละเป็นการช่วยเหลือกันหรือเป็นการทำลายกันด้วยสื่อสารทุกวันนี้เพราะงั้นถ้าเผื่ว่าใครไม่รู้ไปหลงสื่อสารนี่สื่อสารนี่มีผีอยู่ในนั้นมีผู้ร้ายอยู่ในนั้นเยะและมันก็เป็นผู้ร้ายที่ทำลายคนโดยไม่รู้ตัว คนมีสามมันสำนึกเท่านั้นที่เขาเองเขาไม่ปล่อยตัวร้ายไปให้มันสุดที่แต่เขารับเชื้อร้ายอยู่ตลอดเวลาเลยจากเครื่องมือสื่อสารเนี่ยตลอดเวลาอาตมาไม่ลงรายละเอียดว่ามันมีมันมีความร้ายแรงอะไรบ้างมันมีดีไม่ใช่ไหมมีดีดีดีเยอะดีใหญ่เลยละ แต่ร้ายก็ร้ายใหญ่มันจึงเป็นภัยสองด้านเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่จะไม่ไ ป, ไปตกเป็นเหยื่อของความเลวร้ายไปอยู่กับพวกนี้ใช้พวกนี้พวกนี้มันก็เอาเราไปเป็นเหยือ่อเพราะฉะนั้น ประเด็นหลักเราต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองเป็นผู้มีภูมิรู้จักโทษภัยและก็ไม่มีกิเลสจะไปเป็ น, ปนาธาตุโทษภัยพวกนั้นอย่างแท้จริงเมื่อเราไม่มีกิเลสมาเป็นเชื้ออยู่ในตัวเราเราก็ไม่เป็นมันจะมีอยู่กิเลสมันมีอยู่ตลอดเวลาแหละแต่มันร้ายแรงขึ้ทุกวันด้วยวันของพระพุทธเจ้าทิศรีพระพุทธเจ้านี่คงทนทนต่อ การพิสูจน์ทงทนต่อการกระทบกระแทกกระทุ้งกระเทือนไม่เปลี่ยนแปลงไม่วันวายไม่แปรเปลวนไปตามโลกได้อันนี้เป็นคุณสมบัติอันวิเศษเป็นคุณวิเศษจริงจรเป็นอุตตริบุสตมของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้เลยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกแล้วช่วยโลกท่านถึงตรัสของท่านมาเป็น ทฤษฎีที่เป็นผหุชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกาณุกรรมปลายะเป็นทฤษฎีที่ช่วยมวลมนุษยชาติทําประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติสร้างความสุขสงบต้องกํากับว่าสงบความสุขสงบอบอุ่นให้แก่มวลมนุษยชาติผหุชนะนี่แปลมวลมนุษยชาติเท่าแตแปลเป็นภาษาเอ๋เอเหอะ เ, อ เ, อเอกันก็แปลว่าประชาชนให้แก่มวลประชาชน เลยยิ่งกว่านั้นโลกานุกรรมปายะช่วยโลกทั้งโลกโลกานุกรรมปาช่วยโลกทั้งโลกแต่เราก็ไม่บังอาจแลเราก็ไม่กลา้าที่จะพูดไปถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรายังไม่มีฤทธิ์มีแรงที่จะไปช่วยคนโลกทั้งโลกนี่เราช่วยคนในกลุ่มในไทยนี่ก็กลุ่มใหญ่ก็ยังไม่ออกเลยได้แต่กลุ่มน้อยๆก็เป็นไรกลุ่มน้อยๆเราก็ทา เพราะว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มีอะไรเดียวนี่อาตมาไม่เห็นงานอะไรดีกว่านี้นี่เป็นงานที่ดีที่สุดละเท่าที่มนุษยชาติจะเป็นงานควรทำงานนั้นงานโทรทัศน์หรืองานสื่อสารอาตมาจึงจำเป็น เราไม่ได้เป็นคนป่าคนเถื่อนที่เราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเรารู้และเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แกตัวเองดังกล่าวแล้วเมื่อมีภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ใช้สิ่งที่มันเป็นโทษเป็นดาบสองคมก็ตามเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราก็ไม่ประตกเป็นทาสมันแล้วก็เอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เราก็ใช้อยู่ไม่ใช่นั้นเราก็ช่วยคนไม่ได้ ถ้าอาตมาจะไม่มีน้ำใจเห็นแก่ตัวอยู่กันเดี่ยวๆอยู่โดๆโดๆดวๆ้วยอยู่ก็กลุ่มเล็กๆไม่ต้องไปขยายไม่ต้องไปทำอะไรทำได้สบายมากสบายมากจริงๆแต่มันก็ทำใจดำไปไม่ได้มันก็ เห็นว่าเออเราก็พอทำได้ก็เลยต้องทำก็พากันทำหนึ่งเราไม่ใช่คนใจดำเราทำได้อยู่สองเราไม่มีน้ำใจนอกจากไม่ไม่ใจดำแนละ้วน้ำใจที่จะเกื้อเ อ, อื้อเห็นทั้งเห็นน่ะเห็นว่าเขาทุกข์เห็นว่าเขาลำบากเห็นว่าเขาต้องช่วยเหลือเช่นเราเห็นคนทุกวันนี้บางทีรถชนคนปึง้ง ลมชิ้นชักแดกๆดๆดวันนี้ก็เออเห็นแล้วก็พายไปเฉยอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไงคนอ่ะมันก็ควรจะไปดูเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยนะเผื่อรอดหรือเผื่อจะอะไรได้เห็นชนแยงเงยกเลยเออไม่เอาเดี๋ยวเปื่อนเดี๋ยวอะไรหนีเลยเห็นแล้วก็ยิ่ง ไเห็นอย่างนี้แหละใจดาอย่างงี้มันก็ทำไม่ได้ยิ่งก็ถูกรดชนเลยที่อาตมาเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทุกร้อนหรือเลวร้ายเนี่ยคนเลวร้ายก็ต้องนะช่วยเหลือเพราะปล่อยเขาเลวร้ายเขาก็ไม่ดีและเขาก็เป็นภัยต่อสังคมเขาเลวร้ายเนี่เป็นภัยต่อสังคมนะมันก็ต้องช่วยกันอย่างน้อยก็ต้องช่วยกันบอก ให้คนรู้ตัวป้องกันตัวเองกับคนร้ายป้องกันเขาถ้าช่วยเขาได้ไ้เขาเปลี่ยนแปลงได้ก็ยิ่งดีล้วก็ทำไปตามสามารถทำได้แค่ไหนก็ตามนั้นอาตมาก็บรรยายไม่หมดบรรยายไม่ไหวเหมือนกันว่าสิ่งประเสริฐอันนี้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้า ถึงเอาชีวิตทั้งชีวิตเลยเอามาทรมันนี้และเอามาประกาศในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ะ่ะเอามาประกาศอันนี้อันเดียวอะพระธรรมมา็ขอยืนยันด้วยว่าจะโลกกี่ยุคกี่ยุคกี่ยุคก็ตามก็อันนี้เลยเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดในความเป็นมนุษยชาติกับสังคมนี่แหละเป็นสิ่งสูงสุด ผู้ใดได้ความรู้อันนี้เป็นภูมิคุ้มกันสมบูรณ์เป็นอรหันต์ผู้นั้นก็คือเป็นคนพระพุทธเ้ตรยพระุทธเสุขายาโลกาณุก ร, รมปาะเป็นคนมีประโยชน์รับใช้โลกเขาจริงๆไม่ใช่รับใช้อย่างนักการเมืองเรื่องผมไปนะครับเรื่องผมไปผมจะไปรับใช้ ย, ยังโง่ยังงี้อะไรพูดแหมปะเลาะปะลม อ, ะอวดอ้างอะไรไปไปแต่เสร็จแล้ว ก็ไปได้ตำแหน่งหน้าที่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เห็นจะไปช่วยรับใช้ขี่ม้าอะไรจริงมีเจตนาทำแต่เมื่ อ, องค์ประกอบทั้งหลายแหละมันยากสังคมยังทำได้ยากมากแต่ยากยังไงก็ต้องทำทำเท่าที่ทำได้อย่างพวกเราเนี่ก็พยายามทำอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานให้แก่สังคม งานให้ทํางานให้แกสังคมนี่แหละคืองานการเมืองเรียกภาษาชัดๆงานรับใช้มวลชนนี่คืองานการเมืองเพราะงั้นนักการเมืองทุกคนนี่โอ้ัมเลือกผมเดินผมจะไปรับใช้ประชาชนทั้งโลกเระเหมือนกันหมดไปรับใช้ประชาชนไม่ว่าจะมาพูดเป็นในระดับของระบอบ ประชาธิปไตยหรือระบบสังคมนิยมระบบคอมมิวนิสต์แม้แต่ระบอบเผด็จการเขาก็บอกเขาช่วยประชาชนแม้แต่เผด็จการยิ่งใหญ่เขาก็หลอกคนว่าเขามาช่วยประชาชนทั้งนั้นแหละข้อสำคัญก็ใครจะจริงใจกันเพราะจะจริงใจได้จิตก็ต้องไม่มีความเห็นแก่ตัว นอกจากไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เห็นแก่ครอบครัวไม่เห็นแก่หมู่พวกไม่เห็นแก่คณะของตนไม่เห็นแก่กรอบที่ก็บแคบที่อัตมากำลังขยายความอยู่ในความรักสี่มิติจิตใจต้องเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็จะต้องขยายกรอบแห่งความเห็นแก่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคพวกเห็นแก่หมู่กลุ่มเห็นแก่กรอบสั้นๆเล็กๆแคบๆ ต้องขยายการเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่อะไรกว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งประเสริฐแล้วมันจะเป็นจริงได้ก็ต้องมีความรู้และรู้เข้าไปถึงจิตและทำให้จิตเป็นจริงดังกลาง่าวนี้มีทั้งปัญญาและมีทั้งจิตที่เป็นได้จริง จิตที่เป็นได้จริงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ด, ขนดีขึ้นนั้นท่านเรียกจิตนี้ว่าเป็นจิตมุทุภูเตมุทุธามุทุพูดหรือมุทุคำเดียวก็ได้จิตมุทุเป็นจิตที่คล่องตัวสมบูรณแบบ์แบบแววไวไวทั้งภูมิปัญญาปฏิพานไวทั้ง ตัวจิตเองที่จะปรับให้เป็นอะไรเป็นอะไรเมื่อมีปัญญารู้ต้องปรับไปให้เป็นจิตที่ดีแล้วดีนะจะต้องมีองค์ประกอบตามสมุติสั จ, จและตามโอกาสกาละซึ่งท่านพระพุทธเจ้าท่านตัดสูตรนี้ไว้แล้วเรียกว่าสับปฤษธมิ์เจ็ประการสับปุษธมิ์เจ7ประการรู้ ทั้งบุคคลรู้ทั้งสังคมหมู่กลุ่มกลุ่มเล็กก ล, ก, ลกลุ่มน้อยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้รู้ทั้งโอกาสเวลารู้ทั้งเนื้อแทนเนื้อหารู้ทั้งองค์รวมองค์ประกอบเรียกว่าธรรมัญยุตาเนื้อจุดสําคัญเรียกว่าอัฏฐัญยุตารู้ทั้งตัวเราอย่านึกว่าตัวเรานี่แน่แน่ แ, น แ, นแล้วเราจะไปช่วยใครที่ไหนเมื่ อ, อไรอะไรก็ได้หมดมาชิกไม่จริง ได้เป็นโอกาสได้ไปบางกาละบางกลุ่มโม่มันไม่ได้ไปทั้งหมดเราให้เก่งให้ตายยังไงก็ตามคนเขาไม่เอาเขารับไม่ได้เขาไม่เห็นคุณค่าเขาไม่เห็นอะไรต่างๆน้นนาสารพัดนะซึ่งมันก็ต้องเข้าใจอย่างอาตมานี่อาตมาไม่มีปัญหาอาตมาว่าเข้าใจสัุริษธรรมเจประการแล้วต้องจัดสัจโซเรลมัตตัยุตตา ท่านเรียกโดยภาษาว่าประมาณจัดประมาณทำประมาณทำํำจัดการให้มันประมาณให้ถูกอะประมาณให้พอเหมาะพอดีมาตัดอยูตาจัดสัดส่วนให้ได้สัดส่วนที่ดีที่สุดซึ่งขึ้นกับเหตุปัจจัยทั้งโอกาสเวลาหมู่กลุ่มหมู่ฟูงคณะทั้งเนื้อแท้ทั้งองค์รวมองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลเ ท, ท, ท่าที่เราจะต้องรู้ ในสิ่งที่เป็นคอนเท็กซ์ของมันเป็นกรอบของมันว่าจะขลาดในแค่ไหนก็ต้องรู้ทันเดยกว่าบรดีบทอะไรก็แล้วแต่ทานกะเรียกว่าไปจนแปลเป็นภาษาไทยว่าบอดีบทอะไรนะเพราะจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆสัมบริษ ร, รมนอกจากนั้นยังจะต้องใช้มหาประเทศสีอีก ซึ่งจะต้องละเอียดในการจะพิจารณาในความเหมาะสมแต่ละครั้งแต่ละเวลาแต่ละกาละทุกๆเวลาเลยทุกๆงานเลยจะต้องใช้มหาประเทศเป็นเครื่องตัดสินนอกจากจะมีสัพพุริธรรมแล้วซึ่งละเอียดึกซึ่งมากมหาประเทศเนี่ยใช้หลักเกณฑ์พระเจ้าเป็นเรื่องหลักว่าท่านตรัสเอาไว้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรที่ห้ามไว้อะไรที่อนุญาตหลักใจเสร็จแล้วก็ประมาณประมาณเสร็จใช้สัพพุริรรมประมาณแล้วเอออันนี้ควรก็ตกลงในสิ่งที่ควรถ้าสิ่งที่ไม่ควรมันก็ไม่ต้องไม่ขัดกับคำ เรียกว่าพระพระพุทธเจ้าตรัสไว้อะเอาเป็นหลักแต่ขนาดนั้นมันก็ยังมีสิ่งที่บางทีมันก็ไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้บางทีบางอย่างแต่ก็ต้องใช้ปฏิภาณปัญญาอย่างจริงถ้าผู้ที่มีปัญญาจริง มีปัญญาจริงแล้วก็มีความจริงใจจริงๆเลยไม่มีตัวตนไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีกิเลสจริงแล้วก็ไม่เห็นแกพ่พรรคแกพ่พวกเห็นแก่ใครเป็นจิตเป็นกลางจริงเล ย, เยจะตัดสินได้ถูกแม่รับเอียงหรอกจะถินได้ถูกความถูกต้องนี่คือตัดสินเข้าข้างคนถูกตัดสินเข้าข้างคนดีอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากเลย ความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีต้องช่วยคนดีเสนอตัวว่าเป็นพวกของคนดีนั่นคือความเป็นกลางแต่คนพาซื่อความเป็นกลางคือจะต้องไม่เข้าข้างใครคนดีคนชั่วไม่เข้าข้างใครเลยปล่อยให้ฆ่ากันคนชั่วมันก็ฆ่าคนดีตายหมดเพราะคนดีมันฆ่าคนชั่วได้ฆ่าคนได้ที่ไหนแล้วทำร้ายคนได้ที่ไหนคนดี คนช่วยมันทำได้คนช่วยฆ่าคนดีหมดก็เราเขาฆ่าใครไม่ได้ก็เขาจะฆ่ากันก็ปล่อยเขาฆ่าไปอย่าไปช่วยมันไม่เป็นกลางเอาเถอะนีะ่คนเข้าใจแบบนี้ก็เชิญอัตมาไม่เอาด้วยอะซึ่งอัตมาอธิบายมามากแล้วพระเจ้างก็ไม่เคยสอนความเป็นกลางอย่างนึง เขเป็นการอย่างที่เข้าใจกันอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ไม่เห็นด้วยไม่เอาอาตมาก็ทําอย่างที่อาตมามั่นใจว่าดางนี้เป็นสิ่งประเสริฐเพราะอาตมาก อ, อกพากันออกไปทํางานให้แก่สังคมประเทศชาติแล้วก็มีแนวโน้มว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ตัดสินอย่างที่เราจริงใจไม่ได้ไปกลัวไปเกลียดใครแต่ดูว่าเอออันนี้มันควรจะต้องต้งตานเขานะอย่ากให้เขาทําสิ่งนี้ควรจะให้ส่งเสริมอันนี้ควรทําเราก็ไป แสดงตัวใครจะว่าไม่เป็นกลางควรจะอยู่กลางกลางอาตมาไม่มีปัญหาหรอกเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจมว่าทําอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีคนอย่างนั้นอยู่ไม่น้อยก็เป็กลางไม่เข้าข้างคนดีอยู่ไม่น้อยเลยทุกวันนี้สังคมมันถึงได้ชิมพายทั้งที่เขาเป็นคนดีมีปัญญารู้ด้วยแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิว่าความเป็นกลางเขาไม่เข้าข้างใคร นี่เป็นมิจฉาทิฐิเป็นความเข้าใจผิดเขายืนยันนะว่าเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ปล่อยให้คนร้ายทำลายคนดีคนดีทำลายคนคนดีทำทำรายคนร้ายไม่ได้หรอกคนดีทำ้ายคนร้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนร้ายมันทำ้ายคนดีได้ถ้าไม่ช่วยคนดีไม่เข้าไปไปหมู่คนดีมันจะไปกลัวเหรอ ถ้าคนดีมีหมู่มีพวกมีอะไรมากๆหน่อยมันก็เกรงได้มันก็ไม่กล้าทำหรือมันก็มีพลังรวมเป็นหมูหมูนี่บางทีก็มีพลังรวมพลังมูก็ใช้ได้แล้วแต่ถึงอย่างไรมันมีความซับซ้อนคนดีเนี่ยมันมีคุณธรรมทางจิตวิญญาณด้วยลึกๆคนเรานี่แม้จะเป็นคนชั่ว ก็เกรงคนดีลึกๆทั้งนั้นนะ่ะเกรงคนดีใจใจดำเอามเหิดขนาดไหนก็ตามลึกๆเขาเกรงคนดีทั้งนั้นนะ่ะถ้าเขารู้ว่าใครดีนอกจากเขาไม่รู้ว่าใครดีอันนั้นก็เป็นความนิกิเลตหนาหน้ า, นามืดของเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าใครดีก็แล้วไปเถอะมันโง่าอวิชา ก็ไม่รู้ว่าใครดีใครไม่ดีมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเผื่อว่าเขารู้พอรู้ว่าโอ้นี่คนดีอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ชาติทั้งนั้นนะทุกวันนี้เนี่ยอโศกเราเนี่ยอยู่ได้เพราะคนมีปัญญาอยู่รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเขาไม่รู้นะอโศกอยู่ไม่ได้หรอก ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าลึกๆเขารู้ว่าเราดีเขาจึงปล่อยให้เราอยู่ถ้าไม่ใช่นั้นเขาไม่ปล่อยหรอกแล้วเขามีอำนาจปราบด้วยปราบเมื่อไรก็ได้ปราบไม่ยากเลยไม่ต้องใช้อาวุธหรอเอาไม้จิ้มฟันมาปราบก็ได้ชาวโซงเนี่ยเอาไม้จิ้มฟันมาปราบ ได้ไม่ต้องใช้หอกใช้ดาบไม่ต้องใช้ปืนใช้ผาอะไรเอาละอาตมาก็พูดอะไรแต่ไรยาวเยินเยอะนะก็ขอพูดถึงเรื่องของงานโทรทัศน์นะตอนทายนี่ว่างานนี้เป็นงานที่เราต้องการผู้คน แต่เราก็ไม่กล้าที่จะไปขอร้องไม่กล้าที่จะไปเบียดเบียนไม่กล้าที่จะไปโดยเฉพาะไปบังคับใครเขาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่มีเงินทองทุนทรัพย์ทำไมเราไม่แจกเงินไม่จ่ายเงินมั่งขอยืนยันเถอะมันมีสภาพทางจิตวิทยาลึกอยู่หลายอย่างที่อาตมาเองอาตมาพยายามที่จะไม่ให้ใช้การจ้าง หนึ่งเรื่องการเงินอาตมาไม่ให้จ้างเพราะนั้นใครจะมาทำอยู่ในคณะการเงินไม่ไม่จ้างใครสมัครใจมาทำงานด้านการเงินคุณมาทำฟรีคุณธรรมบุต้องสมัครใจจะช่วยจริงมีความรู้ความสามารถในการจะมาช่วยมาทางด้านการเงินและคุณก็เราก็ยอมรับว่าคุณมาซื่อสัตว์บริสุทธิ์หรือมาทำได้เอาให้ทำไม่จ้าง เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจซึ่งกันรละกันจริงๆเลยเรื่องการเงินไม่จางสองสื่อสารนี่ก็จะไม่จางเรื่องนี้มันลึกอาตมาอธิบายไม่ไหวเหมือนกันว่าทาไมอาตมาถึงเคร่งขนาดนั้นในเรื่องนี้เพราะมันมันสำคัญมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณาเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ลึก และหลายอย่างที่เราก็อยู่ในภาวะที่ไม่จ้างได้หลายอย่างอยู่แต่ยกตัวอย่างสองอันเนี่ยพอให้รู้เป็นเขาเขายังพยายามมั่นอกมั่นใจอยู่และหลายอย่างที่เราก็ไม่จ้างให้พยายามทาการไม่จ้างนั่นแหละการพิสูจนธรรมะพระพุทธเจ้าพิสูจ์ถึงจิตวิญญาณมนุษย์ พิสูจน์ถึงความสำเร็จของการเห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่ส่วนรวมหรือการความเห็นแก่ความถูกต้องความดีงามถ้ามนุษย์มีปัญญารู้ความถูกต้องรู้ความดีงามเขาก็ต้องมาช่วยความถูกต้องความดีงามคนนั้นมีปัญญารู้ว่าเออเขาควรทำกับอะไรกับใครที่ไหนเขามีภูมิปัญญาเราจึงคัดเอาคนมีภูมิปัญญา คนไม่เป็นภูมิปัญญาเขาไม่มาช่วยเราหรอกเขาไม่มาอยู่กับบูรเราหรอกเอาจริงคนนี้แกตัวให้แกได้โอยห่างไกลเรามากดีไม่ดีดชังน้ำหน้าพวกเราด้วยเพราะมันคนละ DNA คนละตระกูลคนละเชือ้อน่มันคนละพันธุ์ มันไม่มาเข้ามารวมกันหลองน้ําก็ไหลไปหาน้าน้ามันก็ไหลมาหาน้ํามันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะที่เราพยายามทำเรื่องโทรทัศน์มานี่ก็พยายามนะนักเรียนเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ทั้งที่เขามีโอกาสที่จะฝึกปรือที่จะทำได้อย่างดีแล้วก็ทำได้เป็นคุณคา่าเป็นกุศลนั้นสูงด้วย มาทำแล้วก็ได้กุศลสูงเลยนะนี่ขออภัยพูดเหมือนกับเอาไปเป็นเครื่องล่อก็ไม่อยากจะพูดเท่าไรพูดเหมือนจะเอาไปเป็นเครื่องล่อมันเป็นของดีมันเป็นประโยชน์แกมวลมนุษยชาติและมันก็หางไม่ได้ไง่ายๆยากเพราะสิ่งที่มันนี่จะพูดถึ ง, งดังหลักเศรษฐศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ เป็นความต้องการสูงอย่างเรานี่ต้องการสูงนะต้องการสูงและก็หาได้ยากเพราะเราไม่จ้างเราไม่ให้รายได้เราไม่ให้อะไ ร, ไ ร, ไะไรก็ยิ่งยากเพรา ะ, ะนั่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องการสูงในคณะชาวโศกก็บอกกล่าวกันว่าถ้าผู้ใดเห็นความสําคัญและมีน้ําใจ อ้าวก็มาช่วยกันเราส่งเสริมให้ศึกษาให้พัฒนาให้ก้าวหน้าคุณจะได้ทํางานได้ดีทํางานได้ประโยชน์คุณค่ามากเป็นกุศลมากนั่นแหะเป็นรายได้ของเรานอกนั้นก็พากันปฏิบัติธรรมพากันลดกิเลสนั่นเป็นรายได้เนืเนื้อคือลดกิเลสนี่เป็นรายได้เนืเนื้อเรียกว่าบุญลดกิเลส ส่วนรายได้ที่เป็นกุศลก็เป็นรายได้ข้างเคียงเป็นรายได้ประกอบไปเป็นคุณงามความดีเป็นความสามารถเป็นความรู้เป็นโลกีนะส่วนบุญนั้นนะเป็นโลกุตะเป็นเนื้อแท้อัตภาพทุกอัตภาพที่ได้จิตนิยามพลังงานของสำหรับอัตภาพเรียกว่าจิตนิยาม เมื่อมันเกาะตัวกันมาเป็นาธาตุจิตหรือาธาตุวิญญาณเมื่อเป็นเมื่อไรเป็นระดับจิตนิยามเมื่อไหร่ซึ่งสูงกว่าพีชานิยามเป็นาธาตุชีวะที่มีกำรรครองอมีการรครองอมีวิญญาณครองรันพลังงานระดับนี้ เมื่อก่อตัวจับตัวขึ้นมาแล้วมันจับตัวมาด้วยอวิชชาจับตัวมาด้วยความไม่รู้มาก่อนแล้วมันก็มาพัฒนามาตามโลกเขาเรื่อย ๆ, ๆซึ่งต้นๆมันก็ทำชั่วไม่เก่งหรอกจนกระทั่งมันรู้มากๆเข้ามันก็ทำชั่วได้มากเข้ามากเข้าพราะองใครรู้ตัวได้เมื่อใดลดมันเมื่อ น, นั้นไอ้ชั่วไอ้อวิชชาเนี่ย อวิชชถึงไม่รอไม่รอใครทั้งนั้นนะใครทุกคนเราไม่ต้องไปรอรู้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็มาลดอวิชชาเราเดี๋ยวนี้ไอท้ทตต่อต่อมาเนะี่ยมันอวิชชามาตลอดเรามาหาวิธีล้างละมันสัจจกระทั่งสุดท้ายเราถึงจะพ้นอวิชชาทําให้อัตภาพของเราหมดบาปหมดกิเลสหมดตัวที่โง่ รู้ชัดเจนแล้วอ๋อจิตวิญญาณคือพลังงานสองมีรูปอมนามสองอย่างเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่อย่างนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ต่อล้างกิเลสออกจนกระทั่งรู้ชัดเจนแล้วกิเลสมันออกแล้วมันก็ไม่มีอีกอไม่ต้องให้มันมีอีกก็จะรู้โทษรู้คุณรู้โทษรู้ภัยมันมีมามันเป็นโทษอันนีน้คือปัญญาคือความเฉลียวฉลาดของผู้นั้น คือเป็นความฉลาดจริงฉลาดจริงว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ควรมีในจิตอีกเลยมันรู้จริงๆแล้วมันรู้อย่างนั้นแล้วก็มีพลังของจิตพลังเจโตพลังจิตไม่ให้กิเลสนั้นมันเข้ามาได้ยังมีประสิทธิภาพด้วยเด็ดขาดด้วยเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ไม่มีโอกาสไม่มีทางปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาในจิตอีกหรอก เมื่อกิเลสไม่เข้าแล้วจะอยู่กับโลกเขาจึงเป็นอันตภาพที่บริบูรณ์ที่สุดทึงเรื่องว่าขั้นอรหันต์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเองท่านตั้งหลักสูตรขงท่านเนี่ยมาถึงอรหันต์แล้วเนี่ยจึงเป็นจิตวิญญาณที่ปลอดภัยเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีภัยมีโทษแก่โลกเลยมีแต่คุณค่าประโยชน์แก่โลกเพราะฉเปืจิตวิญญาณที่มันถาวรยั่งยืนนิจจังทุวังสัสตังอย่างนี้แล้ว จิตวิ ญ, ญญาณนี้จึงเป็นจิตวิญญาณที่ปลอดภัยที่สุดของโลกทฤษฎีของพระเจ้าสร้างคนอย่างนี้ให้แก่โลกเมื่อมัรู้อย่างนี้แล้วคุณจะอยู่อีกต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติเขาก็อยู่ไปไม่มีปัญหาอะไรแก่โลกเพราะไม่เป็นภัยเป็นพิษแก่โลกมีได้ช่วยโลกนี่คือวิชาของพระเจ้าที่สร้างคนให้แก่โลกเป็นแบบเนี้ยเมื่อใดเมื่อใดก็อย่างนี้ทั้งนั้น สร้างคนชนิดนี้ให้แก่โลกตัวผู้ที่ได้รับการสร้างมาเป็นเชน่นนี้นั้นนอกจากจะเป็นคนไม่มีพิษมีภัยแล้วจะเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์ต่อโลกยิ่งใหญ่จะอยู่ไปต่อไปอีกเท่าไหร่ก็ได้ไอ้สูงสุดกว่านั้นก็คือรู้จักความจริงว่าจิตวิญญาณ น, นั้นอนัตตา จิตวิ ญ, ญญาณไม่ใช่อัตภาพที่จะต้องมาบ่มเริมมันอีกแล้วรู้ว่ามันอัตภาพคือการรวมตัวของพลังงานรูปนามและพลังงานรูปนามนั้นรวมตัวกันอย่างอาศัยมันอยู่เท่านั้นเองและเข้าใจสภาพของอุอปาทยติอาการยุดผู้เป็นอรหรัน สุดท้ายแล้วจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอาการยึดแล้วว่าโอ้พลังงานที่ทำการยึดเป็นชนี้เพราะงั้นเมื่อไม่ยึดเมื่อไรก็ไม่ตั้งความยึดมันลงไปที่จิตทุกอย่างก็หมดศูนย์เลยอันนี้ไม่ใช่ปากพูดแต่เป็นความจริงของพระอรหันตุกองค์ รู้สภาพของอุปทานของความยึดนี้เพราะฉะนั้นจะอาทานที่จริงภาษาบาลีตัวสุดเขาเรียกว่าอาทานยึดไว้ช่วยไว้เอาไว้ถ้าไม่เอาก็ทานเลยไม่อาทานอยู่เท่านั้นให้ไปเลยอาคํานี้หมายความได้สองอย่างเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้จะเอาไว้ก็ได้ไม่เอาไว้ก็ได้ เป็นภาวะซับซ้อนอาทานทานก็คือให้ไปหมดไม่มีเพราะในธาตุตัวนี้ของเราเองเราเป็นเจ้าเราเป็นเจ้าของเป็นสามีจิกรรมเป็นสามีเป็นเจ้าของของธาตุจิตตัวนี้สูงสุดพระพูทธเ้เป็นธรรมสามีเป็นผู้ เป็นเจ้าของสิ่งที่ทรงไวทำมาคือสิ่งที่ทรงไว้แล้วสามีคือเจ้าของธรรมสามีเป็นเจ้าของจิตวิญญาณตัวนี้หรืออัตภาพตัวนี้แล้วก็คือถือไวยึดไว้เพื่อประโยชน์แก่โลกแล้วก็เป็นความจริงจิตวิญญาณนี้ไม่มีขบดจิตวิญญาณของพระอระหันต์ไม่มีขบดไม่เป็นขบด เป็นผู้ไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตัวมีแต่ทํางานให้แก่ประโยชน์แก่โลกยิ่งทําก็ยิ่งชํานาญยิ่งทําก็ยิ่งมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ยิ่งทํางานให้แก่โลกได้มากขึ้นมากขึ้นจะอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็ยิ่งมีความรู้ความชํานาญมากขึ้นในธรรมดาธรรมชาติก็ยิ่งช่วยคนได้เยอะนะ พระาวิชาของพระเจ้าจึงเป็นวิชาที่จะต้องเผยแพร่มาช่วยกันเผยแพร่จะต้องมาช่วยกันสื่อสารโทรทัศน์ช่องนี้เป็นโทรทัศน์สื่อสารเรื่องบุญสื่อสารลัทธิบุญบุญอิซึม b w o, o n ไม่ใช่ BUN นะ b w o n สะกดอย่างงั้นอัตมาเลือกสะกดตัวนี้ไม่เอาบูนบ o n บุญนิยม b o น n n นก็มีสองตัวแล้วก็ I-Y-O-M ทับศัพท์เพราะไม่มีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่จะหมายความว่าบุญมันไม่มีหมายความว่า ถ้าภาษาอังกฤษว่าบุญนั้มันเป็นตัวชําระกิเลส ม, ม, ม, มันไม่มีมันมีภาษาคําไหนเลยของภาษาอะไรก็ไม่มีมีแต่ภาษาบาลีแต่บาลีมาเป็นไทยเลยมาเป็นบุญท่านี่ถูกบวชท่านเรียบร้อยมาจากปุญญะภาษาบาลีครับปุญญามาเป็นไทยมันตัดหางตัดหัวกรอนออกไปเลยยอยาหญิงก็เอาตัวเดียวเร้วก็เป็นคําว่าบุญเลยเสร็จโรงเรียนไทยเรียบร้อย คำว่าบุญมาจากคำว่าปุญญะซึ่งแปลว่าชำระกิเลสนะนะสื่อสารนี้จึงลงตัวที่สุดตั้งแต่เป็นเพื่อแผ่นดินเพื่อมนุษยชาติมาที่นี้บุญเลยบอกกองๆรงเลยเป็นสื่อสารที่จะขูดกิเลสนี่พูดให้เป็นภาษาของโพธิรักหน่อย เป็นสถานีที่จะขูดกิเลสวันใครที่จะประสงค์จะกให้ขูดกิเลสมาใครไม่ประสงค์ให้ขูดกิเลสก็ไม่มาแน่นอนแเขาก็ไม่มาเองแหละเป็นงานใหญ่เป็นงานหลักเป็นงานตลอดนิรันดร์การงานเนี้ยเมื่อใดเมื่อใดเ็ต้องทา พราะเมื่อจิตของสัตว์โลกที่ได้จิตนิยามเนี่ยที่อาตมาเริ่มต้นขึ้นมาแล้วมันเริ่มต้นก่ อ, อวิชามาแกวิชาขยายตัวมาเรื่อยจนกระทั่งมาเรียร้ายหนักหนักนักนักนักักก็ได้รับโทษรับภัยไปเรื่อยแต่ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกไอ้อจินไตในเรื่องของสัตว์ไปรับวิบากเนี่ยไม่ต้องพูดเลยวนเวียนกันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงอาตมาพูดไม่ไหวหรอก อาจิตใจในเรื่องของการหมุนเวียนในการรับใช้นี่บาปก็นี่ตั้แต่สัตว์เดรดิชานไปจนกระทั่งถึงคนเนี่ยโอ้ยเดรดิฉานจริงๆมันไปรับใช้นี่วิบากน้อยสั้นกว่าคนคนนี่แหละมันไปรับใช้นี่วิบากนารกมากกว่าเดราฉานทั้งนั้นเลย พ่อเดรัจฉานบาปมันไม่มากเหมือนคนนรกมันถึงไม่หนักและนรกมันถึงไม่นานแต่คนนีนะ่มันชั่วมากกว่าเดรัจฉานนารกมันจึงมากจึงนานกว่าเดรัจฉานเยอะแต่เดรัจฉานมันก็ตามประษาของมัน และความเป็นเดรัจฉานเนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นแหล่งที่คนจะต้องตกไปใช้นี่บาปไปเป็นเดรัจฉานพวกนั้นอยู่ตามมิบากจะเป็นอจินไต่เหมือนกันเป็นความซับซ้อนที่ยากที่จะอธิบายซึ่งเป็นเรื่องที่ความตรัสรู้เจ้าเท่านั้นที่จะรู้สิ่งเหล่านี้อาตมาพอรู้สิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าเดิน ม, มาสายธรรมะความรู้ ของพระพุทธเจ้าสายนี้จึงพอรู้ก็ามาพูดสู่ฟังคนไม่เชื่อไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกุศลอกุศลเอาละเชื่ออาจจะเชื่อกุศลอกุศลแต่ก็เป็นสุขจากจะได้แต่กุศลกุศลบอกแล้วว่าเป็นโลกียะก็จะเอาแต่ความดีงามเอาแต่ อ, ไอะไรจะเริญไปทางลาบยศสันเสริญโลกียสุขไปโลกโลกไป ก็ถือว่าคำว่าสุดจริตและก็ได้กุศลนันมาช่วยมันก็มีจริงมันก็คือการบาเบลกันไปบาเบลกันมาในโลกโล ก, กียะจากทั้งโล ก, กุตระนั้นแม้ไม่มีกุศลโล ก, กียอย่างพระอาหารหันต์บางองค์นี่เป็นพระอาหารหันต์ขี่ทูขี่เรือนเป็นพระอาหารหันต์ขอทานกระจอกเพราะไม่มีกุศล ไม่มีกุศลไม่มีภาวะลาบยอดเส้นเสือโลกีสุขรองรับทุกร้อนทางโลกีแต่สามารถที่บรรลุเป็นอรหันต์ได้คนถ้าเข้าใจไม่ได้แล้วบางทีคนก็เป็นหลงแต่กุศลทึ่มันไม่พาหลุดพ้นแต่ต้องอาศัยก็ดีของพระเจ้าทึงบอกว่ากุศลก็ได้โลกุตระก็ได้ชั mplakide ก็จริง บุญก็ได้กุศลก็ได้ได้ทั้งสองอย่างของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้เจริญของพระพุทธเจ้าจึงมีกุศลทั้งโลกีมีทั้งกุศลหรือบุญชำระกิเลสเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอหรหันต์ระดับผ้าขึ้นไป ระดับโพิสัตอนุโพธิสอนุพุทธอนุโพธิสัตว์ขึ้นไปแล้วจะเป็นผู้ที่เข้าใจเสียงเหล่านี้ดีนะจะเป็นผู้ที่ผ่านอรหันต์แล้วจะเข้าใจเสียงเหล่านี้ดีแล้วก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆระดับสูงขึ้นไปเป็นอนิยตตาโพิสัตวเป็นนิยตตาโพธิสัตวเป็นมหาโพธิสัตวเข้าใจลึกขึ้นเรื่อยจะรู้จักโลก รู้จักมวลมนุษย์ขึ้นไปอีกเยอะรู้จักบทบาทกรรมกิริยาเลวหรือดีอะไรก็ตามของมนุษย์โอ้ตายอัตมาลืมดูเวลาโทษทีโทษทีสองทุ่มสิบแปดนาทีละเอาเอาละแม่เพลอไข้ขออภัยนะว่าเรื่อยไปดีไม่เพลอถึงสองยามนะเนี่ย และพวกคุณก็ไม่ทั้งไม่ท้วงมันเลยเนาะไม่ให้สัญญาณเลยมันเลยไปแล้วนะที่จริงเราก็เริ่มต้นเกินกว่า15บนาฬิกาหมงสิเกินไปเมื่อกี้เนี่ยเกินเกินกว่านั้นเพราะว่าเริ่มต้นเราไอ้รายการนั่นก็ถูกขัดคุกขัดทางเทคนิคด้วยก็ไม่เป็นลายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอ่ะเอาละทางนั้นก็สําหรับวันนี้นะทุกครแก่เวลา มีนักเรียนด้วยเนี่ยสมุนพระมณ์ก็กลับไปเกือบหมดละก็ดีเขาเด็กๆ เ, เขาก็ว่าไปาเราโตหน่อยเราก็รับไปตามควรยิ่งคนโตนั่นก็ต้องเอาละอาตมาไม่อยู่ก็คงจะว่ากันไปเรื่อยๆนั่น แ, แหละน้องคนโตสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาไม่สรุปอะไรเพราะว่าวันต่ อ, ตอไปเริ่มต้นก็รายการหกโมงก็จะมีของคอสชอเขา ก็คงจะต้องคอส ช, ชเขาต้องเสร็จแล้วแต่ะรายการเขาก็ไม่แน่นอนบางทีเขาสัน้นบางทีเขายาวก็ไม่เกิน30นาทีนะเท่าทีดูดูสิบนาทียี่สิบนาทีไม่เกิน30ไอรายการ6กโมงตอนนี้เขาก็ยึดหัวห่านนั้นให้คนช่วยกันมาเสนอเขาทำเป็นอ่าเป็นเป็นรูทีนเลยนะเป็นเป็นแบบนั้นเลยก็เอาเป็นไทม์แทเบิลเลยเป็นตารางที่ทำแบบนั้นไปเลยเอาาเ อาสรับวันนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้เจริญธรรมทุกคน20นาฬิกา2ีสนาทีพอดี